ถ้ารู้แล้วมันใช้กล้ามันมันก็เป็นภาระไปในทางจิตใจไปถึงว่าเรารู้ว่าใครจะมานี่เราก็ต้องในทางรับผิดชอบเกิเราจะต้องไปไหนมาไหนเราก็ไปไม่ได้ไปแล้วเราก็จะอารู้สึกไม่ดีสบายไม่สบายใจแต่วันนี้ไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> ถ้าเด็กเกกเ <c oughs> ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วถ้าไม่มีธุระ จำเป็นจริงๆกระทำหันเรื่ออะไรก็จะไม่ได้ใปหนักอีก็ไม่เป็นไรนะก็เพียงแต่พูดให้ฟังว่ายังไงก็ได้มาตามตามบุญตามกรรมก็แล้วกันเป็นตามกรรา <c oughs> ตามบุญตามกรรมถ้ามันจะเจอมันก็เจอถ้ามันไม่เจอมันก็ไม่เจอจดีมีคนตามมาเยอะขึ้นทกที คือมันก็ได้ไปอยู่ทั้งสองอย่างคจริงถ้ามาแล้วเจอมัน ก, มนก็มันก็ได้ได้ใช้สงเทศสังทำเนี่ทําบุญเนี่ยอะไรตามภาษาที่เราอยากจะทําแต่ถ้ามาแล้วไม่เจอมันก็จะได้เจอความผิดหวัง <c oughs> <c oughs> มันจะได้พบอริยสัจคือความทุกข์นยถ้าเราผิดหวังแล้วก็จะรู้สึกเสียใจมันจะเกิดความทุก ข, ข์ขึ้นมาแต่ถ้าเกิดความทุกข์แล้วถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็จะ ใช้ความทุกนี้มาทําให้เกิดปัญญาพุทธเจ้าคงสอนว่ามันนี้โลกนี้เปนโลกของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วเราก็เราก็จะไม่เสียใจเราก็จะแล้วก็เกิดปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็จะทําให้เรามีมีเครื่องมือและมีปัญญาที่จะเผชิญกับสิ่งอื่นๆที่มันก็เหมือนกันแือมันก็ไม่แน่นอนเหมือนกันโลกนี้ ความจริงถ้าเราได้เจออะไรทุกอย่างสมหวังนี่มันก็มันไม่ดีหรอกเพราะมันไม่ทำให้เราเกิดปัญญาขึ้มนมามันทาให้เราที่กลับเกิดความหลงขึ้นม า, มากขึ้นเพราะเราอยากจะได้อะไรเราก็ได้ตามความอยากถ้าเลยไม่เห็นโทษของความอยากเพราะความอยากในแท้จริงแล้วเป็นต้นเหตุของความทุกข์ อ, กอะไรมันก็ต้องอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วแต่นี่เราไม่รู้ คอเพราะเราชอบไม่อยู่เฉยๆอยู่แล้วเราชอบไปไหนมาไหนนี่พอเรามีความอยากไปทําบุญเราก็ไป <c oughs> แต่ความอยากนี้มันก็เป็นมีส่วนที่ดีคือเป็นการไปไปสร้างบุญสร้างกุศลสร้างไปเพื่อให้เห็นว่าความความอยากนี้มันไม่ดีแต่แต่ในเบื้องต้นเราอาจจะยังไม่ไม่ไม่เข้าใจแล้วก็ถ้าเกิดเราไปเจอ ไปเจอความผิดหวังขึ้นมาถ้าเราเอาความผิดหวังนี้นมาพิจารดูว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราก็อยากแล้วเราไม่ได้ดังที่เราต้องการต่อไปเราก็ไม่ไม่ถึงแม้เราจะมีความอยากแต่เราจะไม่เราจะไม่มีความผูกติดอยู่กับความอยากนั้นคือเราต้องเราต้องมองเผื่อไว้ว่ามันอาจจะไม่ได้ดังใจก็ได้อย่างนี้ ถ้าอย่างนี้แล้วเราก็จะได้เกิดมีความฉลาดขึ้นมาคือไม่ได้ไมมุ่งคิดว่าอยากอยากจะได้อะไรแล้วจะต้องได้เสมอไปไม่ได้แล้วจะต้องเป็นจะตายให้ได้จะต้องอะไรนี้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ไม่ได้ก็ไม่ตายเพราะก่อนที่เราก่อนที่เราไม่มีความอยากนี้เราก็อยู่ได้เมื่อเราเมื่อเมื่อเรามีความอยากนี้แล้วเราเราไม่ได้ดังความอยากก็ไม่เป็นไร แล้วก็ยังอยู่ได้อยู่เฉกแต่ว่าถ้ามันเป็นความอยากในทางที่ดีเช่นเราอยากจะไปปฏิบัติธรรมหรืออยากจะไปแสวงหาความรู้แล้วเราไม่ได้ดังใจมันก็ถือว่าเป็นการพลาดโอกาสที่ดีไปก็ต้องทำให้เราต้องมีความมุมนะ่มันะมากขึ้นก็ต้องมาอีก <c oughs> มาบ่อยขึ้นถ้าเป็นสิ่งที่มันดีสำหรับเราจริงๆเราก็ต้องอยาท้อแท้อย่างเวลาที่ไป okay. ไปไปกราบคุบาจารย์หรืออยากจะไปอยู่ปฏิบัติธรรมกับท่านอย่างเงี้ยบางทีท่านจะไม่รับทั้งแรกไปท่านจะบอกไม่ว่างอยู่ไม่ได้เราก็ต้องทำใจแล้วก็ถ้าเรายังมุ่งมั่นเชื่อมั่นว่าท่านเป็นผู้ที่สามารถที่จะให้สิ่งที่ดีที่งามกับเราได้วัดขท่านยังเป็นสถานที่ที่เราสามารถสร้างความดีงามให้เกิดขึ้นในตัวเราได้ เราก็ต้องกลับไปกลับไปเรื่อยๆจนกว่าท่านจะให้เราอยู่นะเพราะว่าตรงทีส่วนหนึ่งก็เป็นการทดสอบจิตใจของเราทดสอบดูความตั้งใจว่าเรามีความตั้งใจจริงไหมเพราะวัวดใดหรือองค์กรใดถ้ามีคนที่เข้าไปอยู่แล้วไม่มีความตั้งใจนะมันไม่ค่อยจะดีถ้ามีคนมีความตั้งใจแล้วไปอยู่นั่นมันอะไรทุกอย่างมันก็ ง่ายสะดวกก็หมดคือหนักหนักนิดเบาหน่อยก็ไม่ถือสากันแต่ถ้าคนที่ไม่ตั้งใจไปอยู่เหมือนกถูกบังคับให้ไปอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วบางทีก็จะเป็นคนสร้างปัญหาขึ้นมาเป็นคนที่จะคล้ายๆกัน<อ>ว่าอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะจะบน่นจะอะไรไปอย่างเง้ยเพราะต้องไม่มีความตั้งใจที่อยากจะอยู่จริงๆ ดังนั้นเวลาไปกราบครูบาจารย์โดยเฉพาะพระถ้าหลวงพราอะไรถ้าไปหาสมักครูบาจารย์อยู่นี่ปิตใจต้องเป็นคนที่มีความหนักแน่นหรือต้องต้องกล้ากล้าเผชิญกับทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าทํานไมให้อยู่ก็กลับกลับไปใหม่หรือถ้าอยู่แล้วท่านไล่ถ้าใจเด็ดก็อยู่ไปเรื่อยๆทํามือหูทวนทวนลมไป ดูเสวะท่านจะว่าอย่างไรถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่าการอยู่ของเราเราไม่ได้ไปสร้างความเสียหายอะไรให้กับใครเราก็ยังมุ่งมั่นในการที่จะพูดดีมุ่งมั่นต่อการในโอวาทของท่านอะไรอย่างนี้อาจจะมีการทั้งเผลอพลาดอะไรไปบ้างก็เราก็อาจจะคำนึกขิ้นและพยายามอย่าไปทำมันแล้วเราก็อยู่ไป จนกว่าเขาจะรวบตัวเราจับเราขึ้นรถส่งออกไปข้างนอกก็ไปอย่างอก็ไม่ไม้ขไเขเพียงแต่พูดเฉยๆก็ยังไม่ได้มีการลงไม้ลงมือจับเราขึ้นรถลากเราเออกไปจากวัดนั้นเราก็อยู่ต่อไปเพาะที่เคยได้ยินมานั้นมีรู้สึกจะมีในในพระตจปิเดกยังไงที่พระพุทธเจ้าสงสัยไหมว่าถ้าเรา ไปแสวงหาครูบ า, าจารย์หรือ เ, เราพบครูบ า, าจารย์ที่เรามีความเคารพมีความเชื่อในตัวท่านและอยากจะอยู่กับท่านแต่ไงท่านจะไล่เรายัางไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจให้เราอยู่ไปเพราะบางทีการไล่ของท่านนั้นก็เป็นอุบายทดสอบดูจิตใจของเราเหมือนกันหรือว่าเรามีความหนักแน่นหรือไม่ การที่ท่านจะช่วยสอนสอนให้เราต่อสู้กับกิเลสเราได้นี้บางครั้งบางคราวท่านอาจจะต้องใช้วิธีที่หนักกับเราพอสมควรถ้าเราไม่มีความหนักแน่นัางก็จะไม่ได้รับประโยชน์เราปรนลูกระเบิดถ้าลูกก็แผ่นหันแนกตัวท่านเราท่านแสดงกิริยาการอะไรต่างๆความจริงเป็นการเพอสอบจิตใจด้วยเป็นการช่วยขุดคุย้ยกิเลส ที่มันยังมีอยู่ในในจิตใจของเราเพียงแต่ว่ามันไม่ปรากฏออกมายกเว้นในกรณีที่มันมีเหตุการณ์แรงแรงอะไรขึ้นมาเราสังเกต ด, ดูพิเล่อนเราบางทีถ้ามันอยู่ในเหตุการณ์สบายๆเรามีความสุขกันมันจะไม่มันไม่มันจะไม่ออกมาแต่ถ้าเราอยู่ในในเหตุการณ์ที่วิกฤตยึดครัขบขันเหตุการณ์นั้นมามันจะออกมา เราต้องจะเห็นา่าแท้ของคนอย่างที่เราสับสนได้ยากถ้าเราร่วมสุกกรรมคนใหญ่จะไม่ค่ยเห็นา่าแท้กันเพราะวาเวลามีความสุขนีน่กิเลกก็<ม>ก็เออออไปด้วยพอใจแต่ถ้าถึงเวลาที่ต้องลําบากอาจจะเห็นว่าเอาต่างคนต่างเริ่มคล้ายๆว่าเอาตัวรอดกันตัวขายตัวมันน นั่นก็นี่ก็พูดเรื่องเรื่องถึงส่วนที่เราไม่ค่อยชอบกันแต่เป็นสิ่งที่เราต้องต้องเจอมันมันถึงจะทําให้เราได้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าเราได้แต่ส่วนที่ดีไปเราก็จะหลงติดอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราจะไม่เห็นส่วนที่ไม่ดีที่มันมีข้อเ น, น้นอยู่หรือถ้ามันเมื่อมันมีขึ้นมาก็อาจจะสายไปที่เราจะรับมันได้ คนเวลาได้อะไรมาส่วนใหญ่จะชอบจะดีใจกันทุกคนแต่พอเวลาต้องเสียไปนี่บางคนทําแำใงไม่ได้ก็ลําบากบางคนถึงกับต้องทําร้ายชีวิตตนเองหรือทําร้ายชีวิตของผู้อื่นไปด้วยเวลาที่ต้องสูญเสียในสิ่งที่ตนเองไม่เคยคิดเผื่อไว้ก่อนเช่เรามีคนรักแล้วคนรักเราไม่รักเราหรือหลบไปมีอะไรกับคนอื่นนี้ ก็เรามาจักได้รู้ได้เนี้ยแล้เราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าโลกนี้มันเป็นโลกของไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็เกิดขึ้นกับได้เท่านั้นถ้าเราไม่ได้คิดเผื่อไว้อย่างนี้พอมันเกิดขึ้นมาเราก็จะรับไม่ได้แล้วจะไม่รู้จากวิธีปฏิบัติกิดเหตุการณ์อย่างนั้นก็จะถูกอํานาจของกิเลสมันมันหลอก ครอบงำทําทให้เรารู้แก่โทษะเรารู้แก่โทษะก็จะต้องไปทำํำภาณอธิบาหรืออะไรที่มันผิดศูนผิดธารไปเนี่ยที่สาเหตุเพราะว่าเราไม่เคยประสบกับความผิดหวังหรือประสบกับความทุกข์นั่นเองแต่ถ้าเราเคยได้เจอความทุกข์มาอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ถ้าตั้งแต่เราเป็นเด็กนเราเจอแต่ความทุกข์ จะแต่ความผิดหวังอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะไม่คาดหวังกับอะไรเราจะรู้ว่าเออมันก็ตามตามีทางเกิดแต่ถ้าเราไม่เคยเราอยู่กับพ่อแม่ที่รักเราเอาใจเราเอาเอาใจเราต้องการอะไรก็รีบประเคนให้เลยหามาให้เลยส่วนกลายเป็นติดนิสัยไปพอ เ, เกิดไปอยู่กับผู้อื่นไปนเวลาไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เราแล้วแล้ว เ, เกิดไปได้ต้องการในอะไร แล้วไม่ได้ดังใจหรือมีมีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้เราต้องเกิดความเสียใจเกิดความผิดหวังขึ้นมาเราอาจจะทำใจไม่ได้เราอาจจะไม่รู้วิจิตวิธีทำใจว่าทำอย่างไรพอเราคิดว่าโลกนี้มันสดใสเป็นแบบทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปาตามที่เราคาดหวังไว้ทุกอย่างเป็นไปาตามที่เราวางแผนไว้แต่มันไม่มี คามจริงแนละ้วมันไม่มีอะไรที่แน่นอนในเรื่องนี้ดังนั้นการที่เราสะสะประสบกับความผิดหวังถ้ามองในแง่ที่ดีมันก็ดีคือมันเป็นการเ ป, เป็นการทดสอบจิตใจเราว่าเป็นการคล้ายๆกับเสริมสร้างปญัญญาใกับเราทําให้เรามีภูมิต้านทานความผิดหวังในภายข้างหน้าเหมือนกับ นี้าทั้งโลกนี้เขากำลังห่วงใยเรื่องโรคระบาดคือโรคหวัดไห้หวัดนกว่าถ้าเกิดมระบาดเข้าสู่คนมันจะไปอย่างรวดเร็วก็พยายามพิถาว่าควรจะเริ่มเตรียงวัคซีนไว้ป้องกันหรือไม่เพราะถ้าเรามีวัคซีนฉีดเข้าไปในร่างกายแนละ้วมันก็จะกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันขึ้นมาเวลาเกิดโรคระบาดร่างกายเราก็จะได้มีภูมิคุ้มกัน แต่เวลาเราฉีดวัคซีนเราก็จะสังเกตว่าร่างกายเราก็จะมีอาการเป็นไข้อยู่วันสองวันและมีเชื้อของโรคนี้เข้าไปอยู่ในร่างกายเราการที่เราเจอความผิดหวังบ้างในชีวิตนี้ก็เป็นเหมือนกับการได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อเราเรารู้แล้วว่าออมันไม่ได้เป็นไปดังที่เราหวังเสมอไป เข้าต่อไปเราก็อาจจะไม่หวังหรือถ้าเราหวังเราก็ไม่ไปยึดติดกับความหวังนั้นคือคนเราก็ต้องตั้งต้องเป้าวางแผนไม่เป็นเรื่องธรรมดาอยากจะไปไหนเมื่อไหนก็ต้องต้องติดต่อกันไว้ล่วงหน้าก่อนแต่เมื่อไปถึงวันนั้นเหตุการณ์มันอาจจะไม่เอือ้อทําให้เกิดทางที่เราต้องการกันได้เช่นสมมุติเกิดในช่วงนี้มีพายุ depression อะไรเข้ามาเกิดเดินทางไปถนนไม่นขาด ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่เราสร้างการไปมันก็ก็ต้องยกเลิกข้อหมายที่เราวางไว้ไปนี่คือสิ่งที่เราควรที่จะมีไว้ในจิตใจของเราคืออนิจจสัญญาคือความความรู้สึกความรู้เกี่ยวกับเรื่องความไม่เที่ยงแท้นแน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวจ้าเส้มทรงเป็นโลกวิทูหรือคู้รู้โลกพระองค์ทรงรู้ถึงสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายที่มาเกิดในโลกนี้ต้องสัมผัส ต, ต้องเจอกันและต้องต้องรู้จักวิธีปฏิบัติจกกับสิ่งเหล่านี้ที่เรียกว่าโลกกระท8แปโลกกระท8แปก็คือราบยธาผลสุดซึ่งมีทั้งฝ่ายเจริญและฝ่ายเสื่อมเป็นสีคู่ด้วยกัน มีการจเจริญรากเจริญยศสันเติรสุขแล้วก็มีการเสื่อมรากเสื่อมยศมีการนินทามีความทุกข์เป็นของคู่ ก, กันกับสิบไปด้วยกันคือทั้งทั้งทั้งสี่ชนิดนี้มีทั้งได้แล้วมีทั้งเสียบางวันเราก็ได้เงินได้ทองนะบางวันเราก็ต้องเสียเงินเสียทองไปบางวันเราก็ได้รับเลื่อนช่านเลื่อนตําแหน่งแต่ ต่อไปเมื่อเราถึงอายุที่เราจะต้องถูกเขาปลดออกมันก็เราก็หมดตำแหน่งนั้นก็หมดไปบางเวลาก็ได้รับการชมเชยบางเวลาก็ได้รับการตำหนิบางวันก็มีความสุขบางวันก็มีความทุกข์นี่คือสิ่งที่เป็นส่วนประกอบของชีวิตของพวกเราถ้าเรารู้ทัน ที่ ร, รู้ว่ามีมีได้แล้วก็ต้องมีเสียมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเราก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาที่เราได้อะไรมาเราก็จะได้ไม่หลงระเริงกับสิ่งที่เราได้มาเราต้องพยายามทําความเข้าใจว่าถึงแม้เราจะไม่มีสิ่งที่เราได้มาในวันนี้เราก็ยังอยู่ได้ถ้าเรายังต้องมีความสุขได้ถ้าเราไม่ไปไปหลงยึดติดกับ สิ่งที่เราได้มาแต่ถ้าเราไม่ได้คิดไว้ก่อนเวลาได้อะไรมาแล้วก็ดีออกดีใจแล้วก็สัมผัสกับความสุขจากสิ่งที่เราได้มาจนกระทั่งกายเป็นการติดนิสัยไปมันก็จะเป็นเหมือนกับการติดยาติดติดเรื่องการติดสิ่งต่างๆเช่นบุหรี่หรือสุรายาเมา เราก็ไม่ได้เกิดมากับสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยสูบบุหรี่เราก็ไม่เคยกินเหล้าเราก็อยู่ได้แต่พอเราเริ่มสูบบุหรี่แล้วเริ่มเสพสุลาแล้วมันก็ติดกันนิดๆมาพอวันใดไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้เสพสุลาก็จะมีความอาการที่ไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจ <c oughs> เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราอยากจะสูบบุหรี่อยากจะเสพสุลา เราต้องมีความน่ว่าเอวันไหนไม่มีเราก็ต้องอยู่ได้ไม่รู้สึกอะไรกับมัน <c oughs> ถ้าเราอยากจะอยากจะเสพเหล่านี้เราก็ต้องฝึกคือเสพบ้างไม่เสพบ้างนั่นอาจจะสูบบุหรี่สักสามวันแล้วก็อยู่ไปสามวันแล้วค่อยกลับมาสูบใหม่อะไรอย่างเนี้ยทําให้มีการมีการฝึกขัดทั้งสองด้าน กับการมีและกุศกับการไม่มีเพื่อจิตใจมันจะได้รู้จักวิธีกลับตัวให้รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น <c oughs> นี่ก็คือการการการปฏิบัติทำคือให้ให้รู้ทันกับสิ่งเหล่านี้แล้วให้สามารถปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ได้ เพราะบางอย่างมันก็เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เราจะต้องมีเช่นเงินทองทุกคนก็ต้องมีไว้ใช้เองแต่ว่าเราต้องระมัดระวังว่าการใช้เงินใช้ทองนี้มันไม่ทําให้เราใช้มันอยู่เนี่ยฝ่ายจนกระทั่งเราไม่สามารถอยู่โดยที่ไม่มีเงินไม่มีทองจึงอยู่มันต้องมีบ้างไว้สำหรับซื้ออาหารอะไรตรงนี้พวกปัจจัยสือ เราก็อยากไปซื้อในสิ่งที่มันไม่จําเป็นเราก็จะไม่ค่อยขาดเงินขาดทองเท่าไหร่เพราะเพรามีเ ง, เงินทองอยู่ไปได้อย่างสบายเพรา ะ, ะนี้พระผู้เจ้าทรงสองให้เราพิจารณาถึงโลกธรรมแปดเพราะมันเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องเผชิญต้องสัมผัสกันถ้าเรามีปัญญาเรารู้ทานว่า ม, ม, มันไม่แน่อนอนนะสิ่งต่างๆที่เราสัมผัสในวันนี้วันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้สัมผัส ม, มันอีกก็ได้วันนี้เรามีความสุขพรุ่งนี้ก็อาจจะมีความทุกข์ได้การพระเจ้าทรงสอนวิธีที่จ ะ, ะเผชิญกับสิ่งเหล่า น, นี้ได้ก็คือว่าให้เราหาสิ่งที่ดีกว่าสิ่งเหล่า น, นี้ซึ่งมีอยู่ในตัวของเราแล้วคือความสุขภายในความสุขภายในนี้ก็เกิดขึ้นจากการ ทำบุญทำทานจากการรักษาสิ่งจากการภาวนาเพราะเมื่อเราได้ทาสิ่งเหล่า น, นี้แล้วมันจะทาให้จิตใจเราสงบตัวลงทําให้จิตใจเราเได้รับการชาระคือกิเลสัญหาต่างๆจะถูกกําจัดไปเียเล็กเพียรน้อยทุกวันนี้ที่เราต้องออกไปเกี่ยวข้องกับโลกธรรม ท, ทั้งแต่ก็เพราะ อำนาจของกิเลสปัญหานีเ่เมื่อกิเลสปัญหามันสร้างความหิวสร้างความต้องการขึ้นมามันก็จะวิ่งออกสปหาราบยศแล้วสันสุขแต่ถ้าไม่มีกิเลสปัญหาเป็นตัวที่ผลักดานจิตใจให้ออกไปจิตใจก็ไม่ต้องไปไหนจิตใจอยู่เฉยๆอยู่ในความสงบนั้นก็มีความสุขแล้วพรความสุขนี้แหละที่พุทธเจ้ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสได้ว่า เป็นความสุขที่ชนะความสุขทั้งหลายที่เรียกว่ารถแห่งธรรมลถแห่งธรรมชนะลดทั้งปวงก็อยู่ที่ลถของความสนุบนี้เองถ้าเราสามารถทําจิตใจของเราให้สนุบได้แล้วต่อไปเราก็จะไม่ต้องไปเึรื่งพาอาศัยลาบยศธรรมาเสริญสุขเป็น <c oughs> เป็นเครื่องอยู่ต่อไปดังครูบาอาจารย์ที่พวกเรากราบไหว้กันท่านเหล่านี้ท่านก็ไม่ได้ไป มีความจำเป็นกับลาบยศและสงสุขเลยาบได้มาเท่าไหร่ท่านก็นำไปทำประโยชน์ให้กับโลกอีกต่อเน่องเพราะในตัวของท่านเองนั้นท่านก็พร้อมใช้ทางจิตใจของท่านท่านก็ไม่ถื่กับอะไรในทางสัตกายสี่ก็ได้รับการดูแลอย่างดีจากศรัทธาญาติโยมอยู่แล้วมีดินพบาตก็มีอาหารและประทานทุกวันมีวอนก็มีคนถวายอยู่ประจา แิตดาราที่พักก็มีอยู่พร้อมดังนั้นท่านก็มีทั้งสองอย่างมีทั้งสิ่งที่จาเป็นที่เรียกว่าปัจจัยสี่แล้วก็มีความสุขหรือความอิ่นที่มีอยู่ในจิตใจที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเกิดจากการบาเพ็ญทานศีลภาวนานี่แหละคือสิ่งที่จะพาให้เราไปได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริง ทำให้เราต้องทำให้เราสามารถอยู่เหนือเรื่องของโลกธรรมทั้งแปดได้โลกธรรมทั้งแปดจะเกิดขึ้นมาอย่างไรมันก็จะไม่สามารถที่จะมาทำอะไรให้กับจิตใจของเราได้คนจะถวายเงินเป็นล้านเป็นแสนหรืออะไรก็จะไม่มีความรู้สึกดี อ, อกดีใจกับเงินทองที่เขาถวายมาทายก็จะแต่งตั้งให้เป็นอะไร ก็จะไม่รู้แต่ดีออกดีใจเพราะว่าจิตมันไม่หิวกับเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเหมือนกับเราเวลาเรารับประทานอาหารอิ่มเต็มที่แล้วใครจะเอาอาหารยิ่งใหขนาดไหนมาให้เรากินแล้วก็กินไม่ลงนี่ก็เป็นเหมือนกันถ้าจิตของเราได้รับความขัดอจได้รับการชำระด้วยการบําเพ็ญทางอนศีลภาวนาจนทําให้จิตใจนั้นมีแต่ความสงบนิ่งเย็นอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้หมายความแต่เฉพาะเวลานั่งหลับตาทำสมาธิเท่านั้นเพราะว่าถ้าได้จเจริญวิปัสสนาแล้วกรรจัดสามารถชำระเอาความโลภโกรธหลงออกจากจิตจใจได้แล้วแม้ในขณะที่เดินเหินคุยกันทําอะไรไปจิตก็ยังสงบอยู่จิตไม่ได้มีอารมณ์กับอะไรเหมือนกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัติความความสงบของจิตนี้มันเป็นไปแบบ อย่างตอนน่อเนี่ถ้าเมื่ อ, อได้เข้าถึงขั้นปัญญาแต่ถ้าอยู่เพียงขั้นสมาธิมันก็จะสงบแต่ในเฉพาะที่ในขณะที่เรานั่งสมาธินั่งหลับตาแล้วกาลังพุโทโธพุโทโธทําจิตให้รวมลงแล้วเมื่อมันรวมล ง, ล ง, ลงมันก็สงบแต่พอมันถอนออกมาจากสมาธิแล้วมันก็จะกิเลนมันก็จะออกมากับสมาธินั้นมันก็ยังจะมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ ถ้าเราจะเรามีปัชนาพิจารณาให้เห็นว่าสภาวธรรมทั้งหลายเช่นโลกฐานตั้งแต่นี้เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาตอนิจจ์อย่างที่ได้อธิบายไปแล้วเมื่อมันเป็นอนิจจ์มันก็ต้องเป็นทุกข์คนเราเวลาผิดหวังนี่ก็เสียใจความเสียใจนี้ก็เป็นความทุกข์อนัตตาก็หมายถึงว่ามันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรานั่นเอง คือเราไม่สามารถไปบังคับว่ามันจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเช่นสามีของเราจะต้องอยู่กับเราไปตลอดสมบัติของเราจะต้องอยู่กับเราไปตลอดอย่างนี้มันเราไปบังคับมันไม่ได้มันดีคืนดีมันจะจากเราไปเมื่อไรมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ดังนั้นเราจึงเรียกมันว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรา ถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณ า, าสภาวธรรมทั้งหลายเริ่มต้ น, นตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่เราเห็นที่เราได้ยินว่าสิ่งเหล่านี้มันมาแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเราเห็นภาพบางทีเราเห็นภาพหนึ่งเราก็มีความชอบเราเห็นอีกภาพหนึ่งเราก็มีความไม่ชอบแต่เราไปบงังคับภาพเหล่านี้ไม่ได้ว่ามัเราจะเห็นแต่ภาพอย่างนี้อย่างเดียวภาพอย่างนี้เราไม่อยากเห็น เพราะในโลกนี้มันมีภาพหลายรูปหลายแบบด้วยกันคนหลายรูปหลายแบบด้วยกันเราเห็นคนนี้คนก็ น, นี้เราก็ดีใจเราเห็นอีกคนหนึ่งเราก็เสียใจไม่ชอบไม่ชอบใจถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ใจของเราก็จะกลายไปมาแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามันเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ได้ไปห้ามไม่ได้ จะห้ามไม่ให้เห็นคนนี้ก็ไม่ได้จะอยากจะให้เห็นคนนี้อย่างเดียวก็ไม่ได้มันก็ต้องเห็นไปตามเห็นตามปัจจัยของเขาเมื่อเกิดเขาเข้ามาในรัศมีของสายตาเราเราก็ต้องเห็นนถ้าเราไม่อยากจะเห็นเราก็ต้องหลับตาแต่หลับตามันก็ยังอยู่ในใจเราเพราะใจเราไปยึดไปติกับรูปหรือภาพเหล่นั้นเราต้องพยายามตัดความยึดติดยี่ในภาพเหล่านั้น ก็ยอมรับความจริงว่าถึงน่าจะเราจะไม่ชอบด้วยเหตุใดอันนี้ก็ตายแต่เมื่อเราจะต้องเจอมันเราก็ต้องทําใจของเราให้เป็นปกติอย่าไปรังเกียจอย่าไปยินดีถ้าไปรังเกียจหรือไปยินดีแล้วเราก็จะเกิดความไม่สบายใจขึ้นมายินดีก็ต้องอยู่เฉยๆไม่ได้ก็อยากจะวิ่งเข้าหาสิ่งที่เราชอบ ถ้ารังเกียจเราก็อยากจะวิ่งหนีสิ่งที่เราไม่ชอบนี่คือลักษณะของใจแต่ถ้าเราทําเป็นเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้าเราก็อยู่อยู่ของเราเฉยๆได้เป็นอุดเบกขานี่ก็คือการการการพิจารณาด้วยปัญญาแล้วก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาฝนจะตกห ร, รือไม่ตกก็ไม่เป็นไรที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นเดี๋ยวฝนตกมาก็าปล่อยมันตกไปเรามีกิจกรรมอะไของเราเราก็ทําของเราไป เมื่อเรายังออกจากสารานี่ไม่ได้ก็ต้องรอให้มันหยุดไว้ก่อนเมื่อเมื่อหยุดแล้วเราค่อยไปตอนนี้มันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่เราต้องเข้าใจว่ารูปเสียงกลิ่นรสปวดตานั้นเขาเขามีคุณสมบัติของเขาอยู่อย่างนั้นเขาเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเขาเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราไม่ไปยึดไปติดเราก็จะไม่ทุกข์กับเขา แต่ถ้าเราไปยึดไปติดอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นให้เขาเป็นอย่างนี้แล้วไม่ได้เป็นดั่งใจของเราเราก็จะมีความทุกข์ใจตามมานี่คือการพิจดนาสภาวว่รทำให้ให้เห็นว่าเป็นตายรักนอกจากนั้นก็พิจารณารูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญาก็แบบเดียวกันพิจดนาว่ารูปเช่นร่างกายของเรานี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเหมือนกันไม่มีตัวไม่มีตอนในร่างกายนี้ ควบคุมบังคับมันไม่ได้จะบังคับไม่ให้มันไม่แก่ก็ไม่ได้จะไม่ให้มันเจ็บไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ได้จะบังคับไม่ให้มันไม่ตายก็ไม่ได้เมื่อถึงเวลามันก็ต้องเป็นตายตามเรื่องราวของมันเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็ยอมรับความจริงอันนี้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะใจผู้พิจารณานี้กับร่างกายนี้ก็เป็นคนละสวนกันร่างกายก็ไม่มีไม่รู้ว่าตัวมันแก่มันเจ็บมันตาย สนใจที่รู้ว่าร่างกายแ ก, เก่เจ็บตายมันไม่ได้แ ก, เก่เจ็บตายตามร่างกายไปด้วยเพียงแต่มันเกิดมันมีความหลงเมื่อมันไม่มีปัญญามันก็จะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวใจใจเป็นร่างกายกลายเป็นใจร่างกายเป็นอะไรใจก็จะเป็นไปด้วยใจถึงเกิดการตกใจเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งจะต้องตายภายในหกเดือน ยังไม่ทันตายเลยแต่ใจนี่มันแทบจะตายไปแล้วทั้งทั้งที่ใจมันก็ไม่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายแต่เพราะเราไม่เคยแยกแยะ ก, กายกับใจให้ออกกันเป็นคนละส่วนนั่นเองเราก็เลยคิดว่าใจกับกายนี้เป็นอันเดียวกันพอร่างกายจะเป็นอะไรขึ้นมาก็เกิดความตกอกตกใจขึ้นมาทันทีทั้งๆ้งที่ในที่สุด ร่างกายมันก็ต้องเป็นไปตามความเป็นจริงของมันไม่มีใครจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเมื่อมันมันถึงเวลาตายแล้วใจมันก็ไปต่อแต่เพราะความหลงเพราะความอะไรที่มันมืดบอดมันทำให้ใจไม่รู้ว่ามันมันไม่ได้เป็นเป็นกายเพราะมันไม่ได้แยกแยกไม่ได้เจริญวิปัสสนาถ้าเจริญวิปัสสนาและมีสมาธิเป็นเป็น เป็นคู่สนับสนุนแล้วเราจะเข้าใจว่ากายกับใจนี้มันเป็นคนละส่วนกันกายเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นมาจากอาหารที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็อาหารก็มาจากดินน้ำลมใส่ข้าวก็ต้องปลูกในดินต้องมีน้าต้องมีลมมีอากาศมีแดดความร้อนข้าวถึงจะเจริญเติบโตขึ้นมาได้ พืชพันธุ์ต่างๆผลไม้อะไรต่างๆก็เป็นเหมือนกันส่วนเนื้อสัตว์ต่างๆมันก็ต้องกินหญ้ากินข้าวมันถึงจะโตขึ้นมาได้งันก็มีต้นมาจากดินน้ำลมไฟเท่านั้นมีที่มาต้นลาธารของของสิ่งต่างๆก็มาจากดินน้าำลมไฟแล้วมันก็มากลายเป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้ออ็นกระดูกแล้วเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายนี้ตายไป มันก็กลับคืนสู่ต้นต้นต้นนําทานคือก็คือกลับคืนสู่ในน้ำน้ำตานี่ก็คือการเจริญวิปัสสนาพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงให้เห็นว่ามันเป็นอนาาัตตาไม่มีตัวไม่มีตน ไ, ไ, ไม่มีเราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราพิาาจานณาจนจิตมันปล่อยวางแล้วมันจะตัดความรู้สึกว่ากายกระใจนี้มันแยกออกจากกัน กายตอนนั้นบางทีจะเป็นเหมือนกับไม่ได้อยู่ไม่มีความไม่มีคนอยู่ในความรู้สึกของใจต่อไปหร mm hmm. ือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเป็นวัตถุอันหนึ่งต่างจากใจไปเ mm hmm. มื่อเป็นเช่นนั้นแล้วต่อไปมันก็จะไม่รู้สึกความสะทกสะทานกับความเป็นความไปความเป็นความตายของร่างกายเพราะใจไม่ได้เป็นกไปกับร่างกายนั่นเองใจก็เพียงจะรักษาไม่ให้กิเลส ม, มันมาหลอกเท่า น, นั้นเอง ไม่ให้มากลับไปวิดไปที่มันเมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้มันเป็นไปตามสภาพของมันก็ปล่อยมันเป็นไปกายก็อยู่ในความสงบเหมือนเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงทรงเสด็จคาริิพันธ์ก็ทร ง, ทรงเจริญในเข้าช้านทำจิตใจให้สงบแล้วก็ปล่อยวางร่างกายให้มันเป็นไปตามตามเหตุของมัน เหมือนกับเราปล่อยเทียนที่เราจุดไว้นี้ให้มันไหม้ไปจนกระทั่งวันนี้เมื่อไม่มีเนื้อเทียนไม่มีไส้เทียนเหลืออยู่แล้วไฟมันก็ดับเองร่างกายนี้มันก็หยุดการทํางานาปตามตามเหตตามปัสจัยเมื่อมันไม่มีกําลังพอที่จะตั้งรวมอยู่กันได้มันก็ต้องแยกออกจากกันมันก็ต้องไปเป็นคนละทิศคนละทางเพราะร่างกายนี้ก็เป็นเพียงจากการรวมตัวของดินน้ำลมไฟ แล้วเมื่อไม่มีเหตุปัจจัยที่จะดึงให้ดินน้ํำลงฟไฟนี้อยู่รวมกันมันก็จะแตกความสามัคคีกันมันก็จะแยกจากกันเหมือนกับพวกเราตอนนี้เรามารวมตัวกันที่สาลานี้มันก็มีเหตุมีปัจจัยทําให้เรามารวมตัวกันเดี๋ยวสักพักหนึ่งเมื่อเหตุปัจจัยที่ทําให้เรามารวมตัวกันมันหมดเราก็แยกกันกลับเราก็ไปกันคนละทิศคนละทางเดี๋ยวเราก็กลับไปบ้านเราของใครของมัน ตัว อ, อย่างมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยทั้งนั้นการมารวมตัวกันก็มีเหตุทําให้รวมตัวกันการเวลาที่มันจะยากกันมันก็มีเหตุปัจจัยทําให้มันยากกันทางผู้เ <pow ın> จ้าถึงก่อนว่าทำทั้งหลายมีเหตุเป็น <SA> เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเมื่อไม่มีเหตุนั้นทำนั้นนั้นก็จะต้องหมดไปนี่คือเรื่องของเรื่องของเหตุและผลเรื่องของ ธาตนานาุดินาน้ำลมไฟธาตุสีดินน้ำลมไฟเรื่องขอ ง, งร่างกายของเราที่เรารู้ประคันส่วนนามประคันนี้มันก็เป็นอาการของจิตมันออกมาจากจิตแต่มันไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นเหมือนกับเงาของจิตท่านเวทนาสัญญาสังขารยินยาเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้มันออกมาจากจิตสัญญา ความจำได้หมายรู้ก็ออกมาจากจิตนังขามความคิดกลงก็ออกมาจา ก, าา ก, ออกาจากิตวิญญาณความรับรู้รูปเสียงกลิก่นรสโผฏฐัพพะที่มาสัมผัสกับตาหูจมูกมือกายเช่นขณะ น, นี้เสียงที่เราได้ยินมันไปสัมผัสกับหูเราแล้วก็ทบเขา้เขาไปจู่ใจโดยมีวิญญาณเป็นผู้รับรู้ว่ามีเสียงเกิดขึ้น แล้วก็ดับไปพร้อมๆกันเมื่อเสียงนั้นหายไปวิญญาณผู้รับรู้เสียงนั้นก็หายไปแต่เมื่อมีเสียงใหม่มาสัมผัสวิญญาณใหม่ก็จะก็จะปรากฏขึ้นมาอีกวิญญาณนี้ก็เกิดดับเกิดดับวิญญาณนี้ต่างกับวิญญาณที่เราพูดถึงเวลาคนตายไปแล้วแล้วจิตเก่าจากร่างเราเรียกเว่าวิญญาณนั่นนั้นเรียกว่าเป็นปฏิสนธิวิญญาณวิญญาณที่จะไปเกิดใหม่ดวงจิตการดิ้เป็นดวงจิต ใจวิญญาณนี้หมายถึงวิญญาณในขันห้าวิญญาณที่รับยูรูปเสียงเก่งยอดโผฏฐาพเมื่อตาสัมผัสกับรูปก็จะปรากฏวิญญาณออกมารับยูว่ามีรูปปรากฏขึ้นมารูปถึงแม้เราเห็นรูปนั้นแล้วเราหลับตามันก็ยังยังมีปกักยังหลงเหลืออยู่ในใจเราอันนั้นก็เป็นผลของสัญญาโดยเราจําได้เี่เราเห็นภาพแล้วเราเราหลับตาแต่ภาพนั้นมันก็ยังอยู่ในใจเรา อันนี้ก็เป็นเรื่องของสัญญาหรือเราเห็นภาพแล้วเราก็เราก็รู้ว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรเช่นเห็นหน้าคนนี้แล้วก็รู้ว่าออกคนนี้เป็นเป็นนายกรนขอเพราะเราเคยจําได้เรามีสัญญ า, าไว้ก่อนว่าเราเคยจําคนนี้ได้เคยรู้จักกันมาก่อนพอเห็นรูปเองสัญญาก็จะทําหน้าที่บอกว่าคนนี้คือนายกรนขอแต่สิ่งอันนี้มันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปจําได้แล้วมันก็ดับไป ขางขันความคิดปรุงมันก็คิดแล้วมันก็ดับไปคิดดังนั้นแล้วก็ผ่านไปคิดเรื่องนี้แล้วก็ผ่านไปเมื่อคิดแล้วมันก็ปรากฏให้เกิดมีความมีเวทนาต่างๆตามมามีความสุขบ้างเวลาคิดเรื่องที่ถูก อ, อกถูกใจก็ก็มีความสุขพอไปคิดถึงเรื่องที่ไม่ถูก อ, อกถูกใจก็มีความทุกข์ใจขึน้นมาทุกเวทนาก็ตามมามันก็สลับกันไปเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ บางทีเราก็บังคับไม่ได้เหมือนกันมันก็เป็นอนาตามเหมือนกันเช่นบางทีเรานั่งไปนานๆนี้มันก็เกิดความเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาเมื่อก่อนนี้ก่อนตอนที่เรานั่งใหม่ๆมันก็ไม่มีความเจ็บอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นเวทนาอีกแบบหนึ่งเรียกว่าไม่สุขเวทนาไม่ทุกเวทนาแต่พอนั่งไปนานๆเข้ามันก็เกิดทุกเวทนาขึ้นมา ในนี้วิธีที่เราจะปฏิบัติที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์กับเวทนาก็คือเราต้องปล่อยวางเวทนาคือต้องรู้ทันเวทนารู้ว่าเวทนามันก็เกิดจากของมันเองได้ถึงแม้มันจะเจ็บขนาดไหนถ้าเราไม่ไปกลังเปรียบมันไม่เคยคิดอย่างจะหนีจากมันมันก็จะไม่เกิดทุกข์กในใจขึ้นมาที่เรียกว่าทุกข์ที่เกิดจากทุกภาวะปัญหาเวลาเราไปเจออะไรในสิ่งที่เราไม่ชอบแช่นไปเจอเวทนา ความเจ็บปวดที่เราไม่ชอบแล้วเราอยากจะหนีจากมันมันก็จะเกิดเวททุกข์อีกแบบหนึ่งขึ้นมาทุกข์แบบนี้เรียกว่าเป็นทุกข์ในอริยสัจสีทุกข์ที่เกิดจากสมุทยัยจากทุกข์ที่เกิดจากการนั่งนานๆแล้วร่างกายเจ็บตรงา น, านั้นปวดตรงนี้มันเป็นทุกข์ในถังมันเป็นทุกข์ที่เป็นธรรมดาเป็นสภาวะธรรมแต่ทุกข์ที่เกิดจากตังหาคือความไม่พอไม่ชอบหรือไม่ต้องการทุกข์อันนี้ คื อ, อยากจะให้ทุกอันนี้ดับไปแล้วเรียกว่าเป็นวิภาวะดารหาอันนี้จะเป็นความทุกข์ที่รุนแรงกว่าความทุกข์ที่เกิดจากการเจ็บของการที่นั่งไปนานๆอันนี้มันจะทําให้เกิดจิตใจมีความทุรนทุรายมีความริดรนกดแข่งถึงกระทำบางทีทนนั่งอยู่ไม่ได้สังเกต ด, ดูการนั่งนานๆนี้บางครั้งเราก็นั่งได้บางครั้งเราก็นั่งไม่ได้ เช่นถ้าเรานั่งทําำลายที่เราชอบอกชอบใจนั่งเล่นไพ่นั่งดูหนังนั่งคืนเราก็นั่ ง, น, งนั่งดูได้ไม่ไม่มีความทุกข์ใจแต่ถ้าจะต้องนั่ง ท, าทําสมาธิสักห้านาทีสิบนาทีมันเริ่มเกิดความอึดอัดใจขึ้นมาแล้วนั่งไม่ได้แล้วเพราะใจมันไม่นิ่งมันใจมันถูกอำนาจของกิเลสปัญหานั้นมันบังคับให้เกิดความรู้สึกที่อยากยา ลุกอยากจะหนีจากที่นั่งไปนี่ก็จะเป็นปัญหาที่เรียกว่าทุกข์ที่เกิดในอริยสัจเป็นอย่างนี้นั้นถ้าเราไม่ต้องการให้ทุกข์ในอริยสัจเกิดขึ้นเราก็ต้องยอมรับเวทนาตามความเป็นจริงของมันเมือเวลามันทุกข์เวทนาเกิดขึ้นจากการนั่งนานๆก็ก็ทําใจเฉยๆทาหรือพยายามอยากไปคิดถึงมันอยาไปหนีมัน ถ้าเรา ย, ยังควบคุมให้มันอยู่่เฉยไม่ได้เราอาจจะใายการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปโดยที่ไม่ไปคิดถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการนั่งเมื่อไม่จิตไม่มีโอกาสที่จะไปคิดอยากจะหนีมันอยู่กับพุโทโธความความอยากความอยากจะหนีมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเมื่อไม่มีความอยากที่อยากจะหนีไปความทุกข์ใจมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็นั่งต่อไปได้ ความทุกข์ที่กิรู้สึกว่ามันเจ็บมากๆมันก็กลายเป็นความทุกข์ที่ไม่เจ็บไปเพราะส่วนใหญ่ความทุกข์ที่มันรู้สึกมีมีหนักมากๆนั้นมันอยู่ที่ที่ในในใจต่างหากที่เกิดจากการที่อยากจะหนีจากความทุกข์นั่นไปนั่นเองดังนั้นถ้าเราใช้ความกล้าหาญคือไม่ไปกลัวมันทำความเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ไม่ช้าก็าเร็วมันก็ต้องดับของมันไปได้เอง เพราะ น, นั้นถ้าเราสามารถดับความดับวิภาวะตัญหาคือความอยากที่อยากจะหนีจากความทุกข์นี้เรียกความอยากที่อยากที่จะให้ความทุกข์นี้มันดับไปถ้าเราไม่มีความรู้สึกนี้อยู่ในใจแล้วใจของเราก็จะเป็นอุเบกขาใจเราก็จะเป็นนิโรธมีนิโรธปรากฏขึ้นมาทุกข์ที่เกิดจากวิภาวะตัญหาก็จะดับไปก็จะเป็นนิโรธนิโรธก็ายก็จะสบายนั่งอยู่ถึงนั้นมันจะเจ็บบ้างปวดบ้างก็ไม่ไม่ ไ ม, ไม่เหลือทนคือพอทนได้พออยู่กับมันได้นี่คือการวิธีที่เราจะแก้ความทุกข์ที่เกิดจากตัณหาคือเราต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นเวทนาปัญญาสังขารยัญญามันก็เป็นสิ่งที่มันมาแล้วก็ไปมันเกิดแล้วก็ดับเราไม่ต้องไปไปอะยุ่งเกี่ยวอะไรกับมันเพีงแต่รู้ทันมันเท่านั้นเอง ร an ู eh. hmm. <JO> ้ทันมันแล้วมันก็จะไม่มาสร้างสัญหาให้กับเราเราอย่าไปรังเกียดทุกเวทนาแล้วเราอย่าไปยินดีกับสุขเวทนาเราต้องรู้ว่าสุขเวทนานี้เดี๋ยวมันก็ต้องผ่านไปเหมือนกันจากสุขมันก็มาเป็นไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าจากไม่สุขไม่ทุกข์มันก็กลับไปสู่ทุกเวทนาถ้าเดี๋ยวเมื่อกลับมาเหมือนกับเป็นลูกตุ้มนาฬิกามันก็แกว่งไปของมันแกว่งไปด้านหนึ่งสุดแล้วมันก็แกว่งกลับมาอีกด้านน แต่ถ้าจิตใจของเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันต่อไปมันก็จะไม่แกว่งที่มันแกว่งเพราะว่าเราไปไปยุ่งเกี่ยวกับมันถ้าเราเฉยๆเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมันต่อไปมันก็จะไม่มายุ่งเกี่ยวกับเราเพราะว่าทุกส่วนใหญ่นั้นมันเกิดจากการที่เราไปมีความอยากกับความไม่อยากนั่นเองเวลาเราอยากเราสนใจอยากเราก็เกิดความสุก ข, ขึ้นมาแต่พอเราไม่ พอไม่สมใจอยากก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันใจของเราก็จะอยู่คงทจะเฉยๆจะจะได้มาหรือจะเสียไปก็จะรู้สึกเฉยๆเพราะเวลาได้มาก็ไม่ได้ไปดีออกดีใจไม่ได้เกิดตัณหาอยากจะได้พอเสียไปก็ไม่ได้เกิดคุภาวะ่ตัณหาเกิดความรู้สึกเสียออกเสียใจเพราะว่าใจไม่ได้ไปไปยึดไปติดกับ สิ่งต่างๆเหล่านั้นต่อไปใจอยู่กับ ร, รมอยู่กับอยู่กับปัญญาฮอยู่กับการปล่อยวางถ้ามีการปล่อยวางแล้วมันก็จะมีความสงบมีความนิ่งมีมีการหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ก็คือการปฏิบัติของพวกเราชาวพุทธที่พระพุทธเจ้าทรงสอนสอนให้เราปฏิบัติกัน โดยให้เริ่มต้นตั้งแต่การทาบุญทาทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนาในเบื้องต้นก็พยายามทําจิตใจให้สงบให้ได้ก่อนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งจะเป็นการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ในอียาบุ ท, ทั้งสี่พยายามให้มีสติอยู่ตลอดเวลาภาวนานอยู่ในทั้งอยาบุฒิพยายามหาที่สงบสงัดที่เวกอยู่คนเดียว ถ้าอยู่หลายๆคนแล้วมันอดที่จะคุยกันไม่ได้พอคุยกันแล้วมันก็จะเผลอสติมันก็จะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตมันก็จะไปตามความคิดตรงยิ่งคิดมากเท่าไหร่มันก็คุ้งซ้างมากขึ้นเท่านั้นก็จะทำให้การทาจิตใจใสงบมันไม่ไม่สะดวกไม่ไม่ง่ายแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วมีสติคอยควบคุมจิตใจให้อยู่กับบทกรรมฐาน ที่ไว้เราใช้สําหรับผูกมัดจิตใจของเราจะเป็นการบริกรมกรมพุโทโธพุทโธก็ทําไปโดยจะมีสติรู้อยู่กับการเคลื่อนไหวขอ ง, งร่างกายก็ ร, รู้ไปที่เราเดินก็ให้รู้อยู่ว่าการเดินเช่นก้าวก้าวเท้าซ้ายเท้าวขวาก็กําหนดดูทที่เท้าเราเดินก็ได้เดินตรงก่อนก็ดูที่เท้าเท้าซ้ายเดินไปเท้าวขวาเดินไปก็ให้รู้อยู่กับการก้าวย่างนั้นจะไม่ให้ไปรู้อยู่กับเรื่องอื่นไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ทีมันผ่านมาแล้วก็ดีหรือเรื่องราวที่มันยังไม่เกิดขึ้นก็ดีหรือเรื่องอะไรก็ตามยกเว้นถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องคิดเราก็หยุดหยุดเดินหยุดการกระทําอย่างองื่นแล้วคิดด้วยสติคิดให้มันพอคิดว่าเราต้องการจะทําอะไรวางแผนหรือทําอะไรก็คิดไปเมื่อคิดเรียบร้อยแล้วเราก็หยุดคิดแล้วเราก็กลับมากําหนดต่อควบคุมให้ใจมันไม่ให้ไปปรุงแต่งให้มันอยู่นิ่งๆเฉยๆ ถ้าเราควบคุมได้อย่างนี้ต่อไปแล้วถึงเวลามันจะรวมตัวลง ม, มันก็จะรวมลงง่าเมื่อรวมลงแล้วเราก็จะเห็นเป็นที่มหัศจรรย์ขณะจิตที่รวมลงเป็นหนึ่งนี้มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในเรนื่องนี้ควารู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นอะไรนี้มันหายออกไปร่างกายแม้กระทั่งขณะที่นั่งนั้นจะร่างกายจะมีความรู้สึกเจ็บปวดขนาดไหนก็ตามพอเวลาจิตรวมลงแล้วมันหายไปหมดเลยความรู้สึกเจ็บปวดตรงนั้นอังนี้มันหายไปความ กระทั่งความรู้สึกว่ามีร่างกายนี้มันก็หายไปเหลือแต่สักแต่ว่รู้อยู่ตัวเดียวอ ย, อยู่ตามลําพังของมันถ้าเราได้ข้อสิ่งข้ามแล้นเราก็จะไม่สงสัยในเรื่องการปฏิบัติธรรมว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเรารว่าเราปฏิบัติเพื่อจุดนี้นั่นเองจุดของของของจิตที่สงบนะเพื่องแต่ว่าจุดนี้มันจะอยู่ตั้งอยู่ไม่ได้นานทักษะระยะหนึ่งมันก็ต้องถอนออกมา พอเรามาแล้วมันก็จะเริ่มคิดตัวคิดถึงไปมันก็มีกิเลสออกมาตามคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดมีความดีใจมีเกิดความเสียใจตามมาแล้วก็อย่าปล่อยให้มันคิดอย่างนั้นอีกต่อไปเราต้องเอามาคิดแบบธรรมะคือคิดอะไรก็ต้องมีความ น, นิจังเข้าไปสอบแจ่มีอนัสตาเข้าไปสอบแจ่มหมายว่าคิดถึงคนนั้นก็ต้องบอกว่าคนนั้นสักวันนึงก็ต้องตายจากเราไปนะหรือเมื่อเราก็ต้องตายจากเขาไป ถ้าเราิดอย่างนี้นะเราก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลให้เขาเพราะเราไม่กังวลเราก็ไม่มีความทุกข์อะไรนี่คือปัญญาแต่ถ้าเราพิจารณาปัญญาไปสักระยะหนึ่งแล้วจิตรู้สึกว่ามันเพลียมันเหนื่อยมันอยากจะหยุดพิจารณาแล้วไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นปัญญาแล้วเริ่มจะพุ้งพล่านไปไปแล้วก็หยุดคิดหันกลับมาทําสมาธิใหม่พักจิตทำจิตให้พักให้นิ่งให้รวมลง จนกว่ามันจะถอยออกมาแล้วค่อยกลับมาพิจารณาทําหม่พิจารณาสภาวะทำพิจารณาตายราักใหม่ทําอย่างนี้สลับกันไปแล้วมันจะเจริญก้าวหน้าไปไเรื่อยๆปัญญาก็จะแหลมคมขึ้นเรื่อยๆจิตก็จะมีพลังขณะที่เราพักนิ่งเท่ากับเป็นการให้พลังกับจิตใจเหมือนกับชาร์จแบตเตอรี่แบตเตอรี่ถ้าเราใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันไฟมันก็อ่อนมันก็หมด เอาไปเอาไปใช้งานต่อไปไม่ได้ก็ต้องการใช้งานเอาไปชาร์จต่ อ, อนี้คือตัวศัพท์มือถือเราเวลาเราใช้เป็นเรื่อยๆเดี๋ยวแบตบนี้นก็หมดพอแบตบหมดแล้วจะจะโทรไปหาใารก็โทรไม่ได้จะรับสายก็รับไม่ได้เพราะมันไม่มีพลังก็ต้องเอาไปชาร์จแบตเตอรี่แต่ในขณะที่ชาร์จนั้นเราก็เอาไปใช้งานไม่ได้ต้องปล่อยให้มันชาร์จให้มันเต็มที่ก่อนในขณะที่เราอยู่ในสมาธิเราก็ไม่พิจารณาปัญญา แล้วก็ปล่อยให้จิตมันนิ่งตามความต้องการของมันนิ่งไปจนกว่ามันอิ่มเต็มที่แล้วมันก็จะถอนออกมาเมื่อมันถอนออกมามันจะเริ่มคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็ต้องเดินมาคิดในเรื่องของตายรับมาพิจารณาเรื่องขันห้าพิจารณาเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจทุขังอนัตตาเนี่ยแล้วก็พิจนารณาไปเรื่อยๆจนจิตมันเริ่มเห็นแล้วมันก็จะปล่อยวางเง ถ้าไม่เห็นว่าอะไรเป็นเป็นความทุกข์แล้วมันก็จะมันก็จะปล่อยเหมือนกับเราไปจับงูงูพิษแล้วเราคิดว่ามันเป็นตาไหลแต่พอมีคนเข้ามาบอกว่ามันไม่ใช่เป็นตาไหลมันเป็นงูพิษถ้าเรารู้ว่าเป็นงูพิษเราก็จะกระจะสลับมันหลุด อ, ออกจากมือเราไปเพราะไม่มีใครต้องการที่จะเอาพิษเอาภัยมาอยู่ใกล้ตัวเราดังนั้นเราก็ไม่ต้องการความทุกข์ถ้าเรารู้ว่าสิ่งอันนี้มันมีความทุกข์ซ่อนนั่นอยู่มันเหมือนกับเป็นระเบิด ระเบิดเวลาพอมีใครรู้มาบอกว่าในกล่องนี้มีระเบิดซ้อนอยู่เนี่ยปลาไเป็นหวนแล้วไม่อยู่ใกล้แต่ใดถ้าเราเห็นว่าราบยศตำนเสือสูงนี้มีระเบิดเวลาซ่อนอยู่ในนั้นเราก็จะไม่เข้าไปยึดไปติดไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่อยากจะรวยแล้วเพราะรวยนั่นนึงเดี๋ยวเวลาทุกข์มันทุกข์มากไม่อยากจะมีตําแหน่งถึงสูงแลนะ้วพอมีตําแหน่งถึงสูงแล้วเดี๋ยวก็มีเรื่องปวดหัาาตามมา แม้จะมีข่าวคราวเป็นรัฐมนตรีไนดะ้มีกี่วันก็ต้องมีปัญหาจะต้องลาออกกันลนะนี่นก็เป็นความทุกข์ทางนั้นนหละแต่แต่อยากได้กันเหลือเกินไม่เคยคิดถึงว่ามันมีความทุกข์ตามมากันก็ไม่มีปัญญ า, านั่นเองไม่ได้พิจารณาทำแล้วพิจารณารมแล้วมันไม่อยากจะได้อะไรอยู่เฉยๆดีกว่าอยู่คนเดียวให้มีใครรู้จักยิ่งดียิ่งสบายอยู่ของเราไปวันๆหนึ่งมีแต่ควาสมสงบมีแต่ควาสมสุขอยู่ในตัวเราพอแล้ว จะเอาอะไรอีกไม่มีอะไรในโลกนี้มันจะมาเพิ่มความสุขที่เรามีอยู่ในตัวของเรานี้ได้เหมือนน้ําที่มันเต็มแก้วแล้วจะเทอะไรลงไปมันก็ไม่ทําให้น้ํามันมีมากขึ้นกว่าเดิมมันก็มีเท่านั้นนี่เกิดเป็นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราเป็นทางสีภาวนาอย่าง่ําาอยงต่อเ น, นื่องขอให้เราทําไปเถิดตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่มีเวลาว่างอยู่จากภารกิจการงานต่างๆ ก็ให้มาทุ่มเทกับการกทํางานเหล่านี้จะดีกว่าดีกว่าไปแสวงหาอะไรต่างๆในโลกนี้ซึ่งอาจจะมีความสุขความเพลิดเพลิน อ, อยู่เชื่อขณะหนึ่งแล้วมันก็ผ่านไปมันก็จางไปเหมือนกับหมอกฟันแต่ความสุขที่ได้รับจากจิตจักใจกนี้มันเหมือนกับน้าซับน้ำเชื่อมมันมันมีอะไรนะ้ามาหล่อเลี้ยงใจของเราอยู่เสมอถึงแ ม, เม้เราจะไม่ได้ทาบุญทุกวันเราจะไม่ได้ไม่ได้อะไร ปฏิบัติทำทุกวันแต่เราได้ทำไหมมันก็จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจเราอยู่ให้มีความน่มเย็นเสุขถ้าเราทําบ้างๆมันก็จะมีน้ําหล่อเลี้ยงจิตใจของเราอยู่ไปเรื่อยๆจนมันกลายเป็นเป็นเป็นบ่อน้ําขึ้นมาทําให้ใจของเราไม่มีแต่ความอิ่มเอิบอยู่ตลอดเวลาแล้วเราก็จะไม่ไปแสวงหาอะไรอีกเพราะเรารู้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ไม่มีความทุกข์ ใครคนคนคที่เราไปหาความสถึงด้วยกคดีเรือสิ่งต่างๆวัตถุต่างๆที่เราไปหาความสุส ง, ง, ง, ง, ง, ง ม, สมันล้วนมีความความทุกข์ยื่นอยู่อยนั้นทั้งนั้นเวลามันเกิดการพัดผากจากกาันแล้วเกิดเวลามันมันมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ให้เราเกิดความเสียใจยเกิดความทุกข์ดังนั้นคนที่ได้ปฏิบัติธรรมได้เจอสิ่งที่ดีที่วิเศษในใจแล้วก็จะ ไม่หลงกับสิ่งอื่นในโลกนี้ต่อไปเมื่อไม่หลงแล้วก็หลุดพ้นหลุดพ้นก็กระจบชีวิตของเราก็ได้พบกับสิ่งที่ดีที่งามที่ศาสนาเป็นผู้ยื่นให้กับเรานี่คือเป็นสิ่งสิ่งนี้ไม่มีใครในโลกนี้สามารถหยิบยื่นให้กับเราได้นอกจากพระพุทธธรรมพระสงค์เท่านั้นนั้นต้องเห็นว่าเป็นบุญวัฒนาของพวเราที่เราได้มาเกิดและได้มาเจอพระพุทธศาสนา ที่ชี้ทางให้กับเราให้เราจะพบกับขุมทรัพย์อันประเสริฐไม่มีขุมทรัพย์อันใดในโลกนี้จะประเสริฐเท่ากับมรรคผลนิพพานที่พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้ทรงบรรลุถึงแล้วนําเอามาฝากพวกเรานื้มาแจากพวกเราพวกเราก็ขออน้อมรับด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราได้ได้ในสิ่งที่ท่านหยิบยื่นให้กับเรา ท่านไม่สามารถทํามรรคผลนิพพานให้เกิดขึ้นในใจของเราได้เราต้องเป็นผู้ทํามันให้เกิดขึ้นดังนั้นเราก็ต้องขนขวายกันอย่างเช่นมาทําบุญกันอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแต่อย่าทำบุอย่างเดียวพยายามรักษาศีลด้วยรักษาศีนได้มากน้อยเท่าไหร่ก็รักษาศีนไปแล้วก็ต้องภาวนาไปด้วยไหวพระสดวดมนต์ก็ดีหรือนั่งสมาธิก็ดีหรือเจริญวิ ป, ปัสสนาก็ดีก็ทำไปตามกําลังของเราตามตามแต่ที่เราจะทํา พราบุญวาสนาของเราแต่ละคนนั้นมันก็มีต่างกันมีความสูงมีความมากมีความน้อยต่างกันบางคนก็อาจจะเท่าสิทธิ์านวิปัสสนาแต่เนก็ได้ปัญญาบางคนก็ยังอาจจะต้องสวดมนต์ไหว้พระไปก่อนบางคนก็พุทโธพุทโธไปก่อนก็แล้วแต่ที่มันถนัดทำแล้วทาให้จิตใจมันสงบมันเย็นมันสบายมันปล่อยวางก็ใช้ได้ถือว่าเป็นจมิดขางลราก็แล้วกัน นี่ก็ถึงเรื่องที่เราจะต้องทําแล้วก็ควรจะทําไปจนกว่างานนี้มันจะหมดทําไปเถอะแล้วมันจะรู้สึกง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วจะจะรู้สึกว่ามันมันไม่ไม่หางไกลเวลาจากความท้อแท้ได้แล้วึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึ้ถึงพระพุทธทเจ้พพารพระริยสงสารุ่งทั้งหลายที่ท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนดําเมื่ก่อนท่านก็ตะกี้ตะกายไปตามตามกําลังแห่งศรัทธาเชื่อในเรื่อง ของความดีทั้งหลายว่าจะเป็นเพจที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขความเจริญ อ, อย่างแ ท, ท้จก็อย่าหยุดได้แต่ทอได้แต่อย่าอย่าเลิกแม่ว่าวันนี้อาจจะไม่อยากจะนั่งนั่งบ้างก็เอาก็หยุดไป่ทุกวันสองวันแล้วพอมีกําลังจิตกําลังใจก็กลับมาเริ่มใหม่ว่าบางทีมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็มีผัดกันลุกผัดกันรับบางทีกิเลสมันแรงเราก็รู้สึกว่าทอ้อ พอกินเหล็กมันเริ่มเบาแล้วก็ต้องแล้วก็ต้อ ง, วองบวกมันลุกมันถลักกันไปพยายามเข้าหาผู้บาอาจารย์ผู้รู้จริงเห็นจริงเราฟังเศๆๆทศน์ฟังธรรมของท่านเรื่อยๆก็จะได้กําลังจิตกําลังใจแล้วถ้าได้เพื่อนฝูงศึทําธมนิกะที่ปฏิบัติธรรมก็จะก็จะเป็นผู้ที่จะช่วยดึงให้เราได้ไปยงเว้นว่าเราอยู่ในขั้นที่เราอยากจะต้องปฏิบัติของเราอยู่ของเราตามลาพัง ใจก็ยังอยู่ห่างจากคณะไม่ได้ก็ถึงเวลาก็ยังเที่ยไปมาหาสู่กันไปสนทนาทํากันไปปรึกษากันจนกาจนจนกาเราสามารถที่จะทํางานของเราสําเร็จลุล่วงไปแล้วพาเสร็จแล้วเราจะอยู่ที่ไหนกับใครหรือไม่อยู่กับใครก็ไม่มีปัญหาอะไรต่อไปก็คิดว่าการแสดงในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขออุติศไว้เป็นทุนี้า ขึานจำเรื่องพกอย่างย้ยวไปว่าที่ตร้น้ำครับตรงนี้มีคนเล่าใังว่าแถเบริเวณนี้เป็นบริเวณที่พระเจ้าตากเสด็จเพื่อมาตั้งค่ายเลยค่ะก็เคยได้ยินเขาพูดอย่างนั้นแต่ไม่ทราบว่าแค่จริงอย่างไรไม่ไม่ไม่ได้ยินกับปากของใครัเพียงแต่แห่งคนครับไม่ไม่กล้ายืนยัน เห็นเขาว่าวันนี้ก็เขาสร้างศาลาไว้สร้างพระอุโรสถไว้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าตากสินพระอุโบสถของวัดยานี่จะสร้างเป็นทรงจีนเนี่ยตามแบบมาจากวาัดโบรือวันนี้เขาสร้างแต่ละอย่างนี้ก็มีมีเจตนาที่จะถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระบัณฑาพระน า, ากษัตริย์ ต่างๆเป็นพระพุทธรูปในพระประธานในโบสถ์ก็สร้างถวายให้กับสมเด็จพระเนรสวนมหาราชพระเจดีก็สร้างถวายให้พระเจ้าแผ่นดินทั้ ง, ง, งกเก้าพระองค์ในราชวงศ์จักรีพระมูลดบที่อยู่บนยอดเขาก็สร้างถวายให้กับในหลวงกับพระราชนีแล้วก็ศาลาสวดมนตก็ สร้างถวายให้กับพระเทพกับพระบรมสาลาธรรมสาราฉันอาหารก็สร้างให้กับพระพี่นางกับรู้สึกกับสมเด็จย่าวันนี้ก็คล้ายๆว่าสร้างเพื่อถวายเทิดทถถูนกับให้กับบรรดาพระกษัตริย์พระมหากษัตริย์ราชวงศ์ที่พาให้ประเทศไทยเราอยู่กันมาได้จนทุกวันนี้ ที่ความเป็นมาของสถานที่นี้พื้นที่นี้ว่ามีมีประวัติศาสตร์เป็นมาอย่างไรก็อาสมาก็ไม่ได้ศึกษาพอดีได้ได้แผ่น VCD เกี่ยวกับประวัติของวัดยานซึ่งรวมอยู่กับประวัติของสมเด็จพระสังฆราชกับประวัติของวัดโมวอนเดี๋ยวจะให้โยมไปคัปปี้กันกันละคนเนี่ยได้มาได้มาแผ่นหนึ่งได้มาชุดหนึ่งก่นเดี๋ยวจะ ในนั้นก็อาจจะมีพูดไว้ก็ได้นี่ถ้าที่สั่งที่ท่านอาเทศมานี่ท่าจะมาอยู่ที่ปีสี่สี่ป่าหายปะ่าคเอาป่าจะมาอยู่ที่ปีสี่สีอป่ะที่นีนะครับ อยู่นั่นตังปี27อ๋อ27พ่อผมสิดีมันยังได้ปี27ย่าแปว่าที่กุฏิได้ไหมได้ค่ะแปลว่าที่กุฏิไ้ไหอะไรไหมไม่มีค่ะปรายแปลว่าถ้าอจะยอยู่จะบ้รจัยก็มาที่นี่เลยครับก็ไปอยู่ที่พัทยาอยู่ปีเรอยู่พัทยาจริงวัดโพธิสามภัยเป็น พอดีปีนั้นยอมพ่อไม่สบายอก็เลยลาหลวงตามาดูแลพ้ อ, อก็อาจจมาออกจากวัดบ้านตาลฤกษ์ยาปลายปีสองหกหลังจากรับกระถิ่นเสร็จแล้วก็พอดูทางบ้านส่งข่าวมาบอกพ่อไม่ค่อยสบายเลยให้ไปดูก็เลยไปท่านเป็นโรคมะเร็งอยู่ที่การค อ, อน่นก็รักษาตัวอยู่ประมาณเพ็งเดือน มิถุนาปีสองเจ็ดตั้งเกษียณแล้วก็เผาทำงานสดเสร็จก็มันก็จะใกล้เข้าพรรษาก็เลยไม่ได้กลับไปคือตอนที่มาก็ไม่ได้คิดว่าจะมามาแบบมาเลยก็ก็มาดูงรับแต่เหตุการณ์ที่พอถ่ายมาก็อยู่จนกระทั่งเสร็จงานท้อสดมันก็ใกล้จะเข้าพรรษา ก็เห็นว่าที่ที่บ้านตากก็มีพระอยากจะเข้าไปอยู่กันเยอะแต่เรากลับไปมันก็มันก็ทำให้อีกคนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรนก็เลยคิดว่าเออเราก็ไปอยู่มานานพอสมควรแล้วไปอยู่เก้าพรรษาไปอยู่ตั้งแต่พรรษาหนึ่งถึงพรษาเก้า็ไม่ครบเก้าปีประมาณแปดปีกว่าไปเดืนนเษาษถมาณร้อยสิบแปดแล้วพอรจะเป็นทันวาหรือพฤติกา สองพันห้าอยี่สิบก็ก็ออกมาแล้วก็เลยไม่ได้กลับไปเลยพ อ, อมาแล้วก็อยู่ที่วัดที่ในพัทยาอยู่พรรษาหนึ่งพอออกพรรษาแล้วรับกระถิ่นเรียบร้อยแล้วก็มาที่นี่เพราะเมื่อก่อนนี้ก็เคยเคยมาพักที่นี่อยู่อยู่เชือกเท้าแต่ตอนนั้นทางอยู่ข้างล่างข้างบนนี้ยังไม่ได้รับการบุกเบิกยังเป็นป่าเป็นเขาอยู่ แล้วปีนั้นก็ปีสองหกนั้นก็มีพระอาจารย์จากวัดท่ามของเพลพระอาจารย์หวานท่านมาเป็นหัวหน้าสงฆ์ให้กับวัดนี้คือวันนี้เวลาสร้างใหม่ๆจะไม่มีพระที่เป็นหัวหน้ามาอยู่เพราะวันนี้เขาอยากจะให้เป็นวัดป่าเป็นวัดกรรมฐานมีพระเจ้าขุนที่วัดบวรเขาก็ไม่ถนัดเรื่องกรรมฐานกันเขาก็เลยไม่ได้มาอยู่ สมเด็จก็ต้องไปขอพระจากทางผูบาอาจารย์ทางภาคอีสานให้มาอยู่เรื่องคราวนี้มณโณหลวงปู่เที้ ย, ยมาอยู่ 1, 2, กับพรรษาเรื่องสองพรรษาแท่านกระตรายนึกว่าท่านก็อยู่ไม่ได้ลหลังจากนั้นก็มีนิมนต์เอางั้นมาบ้างเอานี้มาบ้างสลับกันไปจนนิมนต์ท้าอาจารย์หวานเพื่อมาจากวัดต่าทองเพนมาอยู่ท่านก็อยู่ได้หลายพรรษาท่านก็เห็นว่าบนเขานี้สงบดี ท่านก็นเลยขออนุญาตสมเด็จมาพัฒนาบนนี้ก็เลยพาญาติโยมแบกไม้แบกอะไรนี้ขึ้นมาแล้วก็มาทาศาลาทำกระถอบอยู่สองสามหลังอยู่ลหลังจากนั้นก็มีการพัฒน า, าฒนนขึ้นมาเรื่อยๆทำสมองขึ้นมาตัวกุฏิอะไรขึ้นมามันเป็นที่เป็นทุกวันนี้ตั ว, วเอาเองนี้ขึ้นมาอยู่บนเขานี่ก็ปีสามสิบ ในตอนที่มาอยู่วิญญาณ า, ายปีสองเจ็ดก็ท่องอยู่ข้างล่างพออยู่ข้างล่างอยู่ประมาณสองปีกว่าพอ ป, ปีสามสิบมีนาเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่กันก็อยู่มาที่เล่นจทุกวันนี้ก็ประมาณอยู่วันนี้ได้ประมาณแค่สิบสามปีแต่ก็ยังทํากิจกรรมร่วมกับพระที่อยู่ข้างล่างเพราะเขาไม่ต้องการที่จะให้ทํากิจกรรมแยกกันบินฑบาก็ไปร่วมบินดาบากัน ฉันอาหารกับฉันที่ศาลาเดียวกันเพียงแต่เวลาอยู่ก็แยกกันอยู่ถ้าต้องการความสงบก็ขึ้นมาอยู่บนเขาถ้ายังไม่ยังยังไม่ถนัดยังไม่ไม่พร้อมที่จะอยู่บนเขาเขาก็อยู่ข้างล่างกันข้างล่างมันก็อยู่ใกล้ศาลาไม่ต้องเดินมากน้ำฝนก็มีพร้อมแต่ถ้าอยู่บนนี้ก็ต้องเดินไกลหนะ่อย ประมาณสามปีโลขึ้นก็ต้องเดินลงไปตั้งแต่เช้ามืดยังไม่สว่างเพราะต้องลงไปให้ทันเวลาที่จะออกไปบินนบาดเทุกวันนี้ออกบินนบาตประมาณตนะีห้าสี่สิบห้าก็ลงประมาณตีสิบคึ่งก็เดินลงไปเหมืนตกก็ลองเดินลงไปนอกจากถ้าฝนมันตกแบบแรงเป็นพายุนี้ก็ต้องรองให้มันหยุดก่อนถ้าฝนตกแบบธรรมดาพอกาลางร่มเดินไปได้ก็กาลางร่มเดินลงไป ให้เวลาประมาณสักสี่สิบห้านาทีลงไปถึงก็ประมาณตีห้าคึแล้วก็นั่งนั่งพักอยู่สักสี่สิบห้านทีก็มีรถมารับไปยินกาะบะรถก็ไม่ขึ้นมารับได้จังหมดไม่เพราะคนก็ยังไม่ตื่นคนขับรถก็ยังไม่ตื่นอีสี่ส่บแล้อย่างก็เราก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่มันก็เป็นการที่เราปฏิบัติมาอย่างนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะเห็นว่ามันเป็นการเป็นอุบายอย่างที่ดี คือได้เดินในเดินเดินเดินในที่มืดในป่ามันมันเป็นการภาวนาไปในตัวเดินไปกับพิจารณาความาตายไปเรื่อยๆมันก็เป็นปัญญาขึ้นมาจนกระทั่งจิตใจมันก็ยอมรับสภาพว่าควเรามันจะไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เมื่อเมื่อมันพร้อมแล้วมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันก็สบายมันก็ มันต้องใช้สิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยเราภาวนาะใช้เกิดปัญญาถ้าเราอยู่ที่สุขที่สบายแล้วเราจะไม่เห็นเราจะไม่เห็นความความไม่เที่ยงความอะไรต่างๆนี้มันมันมันซ่อนเร้นอยู่แต่ถ้าอยู่อย่างนี้แล้วมันมันจะมันต้องตวงอยู่ตลอดเวลาเดินไปไม่รู้จะไปเจออะไรขนบางทีก็มีงูบ้างมีอะไรบ้างก็ดกีมันก็เป็นการทดสอบ วันไหนขี่เกียจก็ไม่ต้องกินข้าวไมในป็นษาแล้วพระอดข้าวไปฮะที่นี้ไม่ได้เอน ก, กันเพราะไม่มีไม่มีใครทําเป็นตัวอย่างแล้วก็มันมีความแตกต่าง ก, กันมากกวสมควรพระที่ต้องการจะปฏิบัติจริงๆถ้าจะไม่ค่อยมีเลยส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นพระที่ก็บวชช่วงช่วงสามเดือนเข้าพรรษาบวชตารประเพณี้ ในกลุ่มหนึ่งเขาก็บวชใจต่างที่ที่คนเขาบวชกันแถวนี้บวชกันเน่ะก็บวชไปแล้วก็ชอบชีวิตแบบนี้เขาก็อยู่ของเราแบบนี้ไปไหนก็ไม่ได้ถึงอยากจะออกปฏิบัติกรรมฐานหรืออะไรอย่างังี้ยเขอยู่แล้วก็ลงบวชไหว้พระสวดมนต์บิณฑบาตทํทากิจกรรมบุญบางสังส่วนอะไรไปนี่เขาก็พอใจอย่างนี้เขาก็อยู่ของเราไปได้ มมีพเดว่อม่มีสีนนนี้บนวนนี้มีมีมีสีแล้วก็มีขึ้นมาอีกสองเป็นพระที่อยู่ข้างล่างแต่ก็ชอบพระบนชใหมแต่ก็า็อยากจะขอขึ้นมาพอนะก็อนุญาตให้เขาขึ้นมาข่มาก็มีตอนนี้ก็มีอยู่หกสาวกเดินลงไปอ่ไม่ได้คล้องตัวใครตัวมันใครพรอเวลาไหนก็ลงไปไม่ต้องมามาไม่ต้องมายุ่งกันทุกคนรู้หน้าที่รู้เวลาของตน บางองค์ท่านก็ตีสามแล้วก็ลงไปแล้วบาทีเข้ามางไปเ ล, ล, ลยข้างล่างก็มีประมาณสักออทั้งหมดมีพรรษานี่รู้สึกจะมีประมาณสักหกสิบรูปเยอะจหกสิบี่ก็มีห้าสิบประมาณห้าสิบกว่ารูปก็อยู่ข้างล่างกันทั้นี้มันมันน้ําน้ําน้ําก็ไม่สะดวกน้ําก็ต้องใสยน้ําฝนรองใส่แทงไว้ก็มีจํานวนจํากัด แต่ใช้มากก็มันก็จะหมดไม่พอใช้งไฟฟ้าก็ไม่มีคนที่ยังไม่ยังไม่รักการภาวนาจริงๆแล้วจะไม่ชอบที่อย่างนี้แต่ถ้าคนที่ชอบภาวนาแล้วกับชอบที่อย่างนี้คือให้มันลําบากอย่างอเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องอะไรลําบากหรือขาดแคลนไม่เป็นไรหรอกแต่ขอให้ที่มันสงบให้มันสงัดให้มันไม่มีอะไรมาบรบกวนจิตใจ มันอย่างนั้นมันมัน ม, มีประโยชน์กว่าในด้ า, านภาวนาที่วันนี้ก็เป็นวัดที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับเป็นรูปกรมพราคือสังฆราชท่านได้รับที่มาให้มาสร้างวัดท่านก็สร้างไปแต่รองค์ท่านเองก็ไม่มาอยู่เองท่านก็ไม่ได้แต่ว่าควบคุมดูแลพระเนื้อ อระเรก็ปล่อยให้ฝากพระองค์นั้นดูแลบ้างองค์นี้ดูแลบ้างแล้วตอนหลังนี่ก็หาใครดูแลไม่ได้ก็เลยปล่อยให้ใบตามธรรมชาติดูแลกันเองไปอะไรก็อยู่กันแบบนี้แล้วแต่แล้วแต่ละองค์แต่ละท่านบางองค์ท่านก็สนใจบางทีเวลาออกสรรษาท่านก็จะไปไปกราบไหว้ครูบาอาจารย์กันอาจจะไป อยู่บ้างพระที่ขึ้นมาอยู่บนเขาเนี่ก็เคยไปอยู่กับครูบาอาจารย์ทางทางนู้นมาก็พอจะจากข้อวัดปฏิบัติแต่ก็เป็นคนที่นี่เป็นพืน้นคนพื้นที่ที่นี่เขาก็ไปอยู่สักพักแล้วเขาหงงคิดถึงบ้านบ้างอะไรบ้าง ก, ก็กลับมาอยู่ที่นี่กิเด สมเด็พระสังฆราชท่านก็อยากจะให้เป็นวัดกรรมฐานก็อยากจะให้เป็นวัดที่มีการปฏิบัตินั่งสมาี่ปฏิบัติธรรมมีปฏิบัติทุดงขวัดอะไรนี้แต่อีกอีกส่วนหนึ่งก็อยากจะให้เป็นวัดที่สวยงามก็สร้างแบบให้เป็นเหมือนกับให้มีความสวยงามาก็กลายเป็นวัดท่องเที่ยวไปก็มีมีคนมาเที่ยวมาชมอยู่ตลดเวลา โดยส่วนนึ่งก็อยากจะให้มีเหมือนกับวัดบอลเพราะว่าัดบอลนี่เป็นเหมืนก็เป็นเป็นเป็นต้นฉบับ ข, ของวัดนี้เนี่ยก็อยากจะให้มีทําเนียมของวัดบอลบ้างแล้วก็เลยปนเข้าไปปนกันม า, มนาปนกันมามีทั้งลูกทุ่ง ม, มีทั้งลูกกงมีเรื่องแตกตางกันหมดเลย เราหนาสมาลูกก็อยู่ไปตมามอัธยาศัยของเราเราก็เราเคยปฏิบัติยังไงที่ครูบาอาจารย์เราก็ปฏิบัติตามเราไปแต่เราก็ไม่ได้ไปไปสอนใครเป็นไปอะไรใครแต่ถ้าใครสนใจอยากจะสนทนาธรรมด้วยเราก็เราก็จะสนทนาด้วยเราก็ทําหน้าที่ของเราเท้าเราก็เรานหนุไปเบญญาบัตรกลับมาฉันฉันเสร็จเราก็กลับมา ที่ที่พักของเราแล้วเราก็ไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรก็อยู่ของเราไปตามลำทางนั่นอยู่มาก็อยู่มาใครสนใจยากจะมาฟังเทศฟังธรรมก็มาอย่างเงี้ยมาก็้วพูดไปตามตามความรู้ตางความสามารถเต้าเตจจะพูดที่จสอนได้ก็พูดไปก็ไม่ได้หวังอะไรนะก็มันคิดอะไรก็อยู่ไปอย่างเงี้ย แท้แต่มันจะมันมันมันจะหมดเวลาของเราเองก็อยู่ไปทแต่ถ้ามันทําแล้วเราสบายใจไม่ไม่สร้างความวุ่นวายใจไม่มาทําลายความสงบในจิตใจก็ทําไปถ้ามันมารบกวนความสงบในจิตใจของเราบาถ ท, ทีก็ต้องก็ต้องหาที่ใหม่อะไรไปก็อยากขยายไปเพราะงานหลักของเราก็คืองานดูแลจิตใจของ เ, เารากษแลจิตใจให้มันสงบ ไม่ใ้มันคลุ้งคาไม่ให้มัวุ่นวายกรับเรื่องราวอะไรต่างๆถ้าเรื่องราวต่างๆมันมาบีบมากเนี่ยเรารู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ก็ต้องไปถ้าไม่มีอะไรบีบก็อยู่ไปแต่ก็ยังไม่รู้จะไปไหนเพราะไม่ไม่ได้ไปไหนก็ใครไม่ได้ไปที่ไหนมาเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปสมาคมไปรู้จักกับใครที่ไหนกับวัดไหนพระที่ไหนก็ไม่ได้ไป เวลาที่อยู่ที่บ้านตาก็ไม่ได้ไปไหนอยู่ที่นั่นเก้าปีก็ไม่เคยออกไปไหนการบวชมานี้ก็ไม่รู้จักใครถ้าเราอยู่ที่ในวัดก็ยังไม่รู้จักพระพที่อยู่ในวัดด้วยกันรู้ก็เพียงแต่รู้จกัก ร, รู้จักชื่อรู้จักหน้าท่าตาแต่ไม่เคยไปนั่งคุยไปทําความรู้จักสนิทสนมอะไรกับใครเพราะต่างคนก็ต่างในหน้าที่อยู่ที่นั่นก็เหมือนกันเช้าก็ออกลงศาลาไปเตรียมตัวออกบินสบัด กามาจางบินาบาตฉามเสร็จทาความสะอาดอะไรแต่ก็กลับกุฏิใครกุฏิมันบ่ายก็ออกมาปัดกวาดฉาม น, น้ำร้อนน้ำชาเสร็จ แ, แล้วก็กลับไปส่งน้ำเข้าที่ภาวนาของเราไปชีวิตมันก็มีแค่นั้นอยู่แค่นั้นก็ไม่เคยได้ไปหาใครไม่ได้ไปคุยกับใครให้ไหนใครก็ไม่รู้จักเราเท่าไหร่คือรู้จักว่าเราเป็นใครนะั่นแต่ก็ไม่รู้จักว่าเรามีความรู้สึกนึกคิดอะไรนีไม่มีใครรู้ ไม่ไม่เคยคุยนะบใครแตกหน่อยแตกมนุษย์หน่อยบางอาจจะไม่เข้าใจบางคนอาจจะคิดว่าทําไมนัดดออกดาวมาจากวัดตากวัดตามีเกือบยี่สิบกว่าปีไม่เคยกลับไปเลยเคยทานท่อยู่รุ่นเดียวกับท่านอาจารย์ชัครก็อยู่ช่วงเดียวกันเนี่ ย, ยช่วงเดียวกันจะอัตจะมาเข้าไปก่อนท่านหน่อยมนะั้งเข้าไปก่อนสักสองสองสามปีสองปีหรือไงท่านก็ไปหลังหน่อย แต่ก็ก็ไม่ได้คุยกันก็อยู่ก็รู้ว่าเป็นใคร <c oughs> แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็เวลามาทํากิจกับพระก็ไม่ค่อยคุยกันอยู่แล้วอ้มามองทํากิจก็มีหน้าที่ถื อ, อกวาดปาดกวาดทำอะไรก็ทําไปวิญญาจะมีสติ ด, ดูแต่อยู่แต่ใจเราเท่านั้น <c oughs> เรื่องเรื่องภายนอกจะไม่ค่อยรู้จักใครนั <c oughs> ่นแหละแปลกนะ ที่ท่านอาจารพูดถึงว่าอยู่ที่ไหนสบายใจก็อยู่ถ้าตัวไม่อยู่ก็หาที่ใหม่อะไรเงี้ยนะครับมันเกลียบเทียบเคียงกับโยมที่อยู่ในสังคมเนี่ยนะะมันอยู่ท้องที่นีาอยู่สังคมนี่ทางานที่นี่อยู่แล้วสบายใจเพิ่งไปสบายใจเพิ่งจ้าหลับทำไปจับเพื่อจะให้อยู่ได้หรือว่าจะหนีไปปีหาที่ใหม่เลยอย่างนี้มีหลักพิจารณาอย่างไงนะท่านอาจารย์ว่าเรจะอย่างไงดีก็แทนหลวงปูมั่นท่านเคย พูดให้กับข้าเวลาไปกราบหลวงปู่มั่นเพื่อที่จะลาไปที่อื่นเย่านี้หลวงปู่ท่านข้าบอกว่าถ้าไปแล้วมันดีกว่าเดิมดีกว่าอยู่ไปแล้วได้กาไรไปดีกว่าก็ไปเถ้าไปแล้วมันมันแย่กว่าเดิมอยู่ดีกว่าก็อยู่อือันนี้มันไม่รู้ว่าที่ใหม่ที่จะไปมันจะดีกว่าที่ใหม่ที่เก่าหรือเปล่าก็ลองไปศึกษาดูไง ลองดูก็ไปลองดูอย่าอย่าไปแบไป บ, ไปบไปแบป บ, บ, ไปไปบตัดขาดเยื่อใยไปแบบว่าไปเที่ยวลองดูก่อน<ม>ถ้าไปแล้วรู้สึกว่าที่ตรงนี้นมันดีกว่าที่เก่าที่เราอยู่เราก็ไปเลย<ม>ถ้าไปแล้วมันไม่ดีเราก็กลับมาใหม่กลับมาอยู่ที่เก่าใหม่แ้วมันก็ต้องมีความอดทนบ้างแหละคือไม่ได้มาคราวว่ามีอะไรปั๊บก็จะ พอไม่ถูก อ, อกถูกใจหน่อยก็จะไปลูกเดียวอย่างนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับนุ่นที่เวลามีลมมาพัดหน่อยมันก็ฟิวไปตามลมมีอะไรมาสัมผัสหน่อยก็จะไปละก็ต้องมีความนแน่นพอสมควรแต่กระทั่งรู้สึกว่ามั น, ม, นมันบีบมากกระทั่งมันอยู่กนะัแล้วมันไม่เจริญมันมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไปแล้วมันจะดีกว่าก็หน้าไปดีกว่า หมายถ้าถ้าอาจารย์ทำงานอยู่แล้วก็ภาวนาไปด้วยนะฮะที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟงังการทํางานเนี่ยมันทําให้เราเบื่อหน่ายไม่ที่ว่าเราจะทา<ด>ําด้ต่อเลยรู้สุดแล้วอยากไม่อยากจบไปทปําเรียนภาวนาดีกว่ า, <c oughs> าก็นั่งเลยสักเดอนหนึ่งแลลาออกวลาออกจากงานแล้วก็ไปปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งโดยไม่ได้ทํางานเพ <c oughs> ือออกมาทํางานงานนี้ก็ไม่ได้เป็นงานที่มันตรงกับวิชาสาขาว่าที่เรเรียนมา เราจบวิศวะแต่งหางานวิศวะสมัยเนั้นหาที่เราอยากจะได้มันไม่มีมีแต่งานแบบเป็นเป็นเหมือนกับไปคนขุมก่อสร้างแต่เราชอบงานออกแบบอะไรทีนี้ก็เลยไม่ไม่เลยไม่ได้ทํางานวิศวะพอดีมีฝรั่งเขาอยากจะเปิดร้านขายไอติมพอดีเราตอนที่อยู่ที่เมืองนอกเราทํางานที่ร้านขายไอติมพอดี ก็เลยมีประสบการณ์ทางด้านนี้ข<ง>ายติ่มก็เลยเข้าเลยให้คนที่ผู้จัดการ <c oughs> เราจัเป็นคนค่าค่าจัดระบบจ้างคนงานอะไรต่างๆมา <c oughs> ไม่ใช่เป็นไอติมธรรมดาแนละ้วไม่ไอติมแบบที่ต้องผสมต่างๆด้วยพวกซันดงซันเดอะไรพวกนี้อต้องมีความรู้เพราะสมัยนั้นร้านแบบนี้ไม่มีในเมืองทางไม่มีขายกันส่วนใเป็นไอติมที่มันใส่ถ้วยมากัน ไอ้ติ่มแบบนี้มันต้องคล้ายๆว่าใส่สับ ป, ปะรดใส่กล้วยใส่อะไรหลายอย่างแล้วแต่จะรสชาติจะเรีย่ยงเที่ยนี่ทำไปเพราะพอใจว่ามันอยู่ใกล้บ้านเลยแค่นั้นอ่ะมันสะ <ๆ S 2> ดวกมันสบายแล้วก็มันเงินเดือนก็ดีกว่าเป็นวิศวะสิถ้าเป็นวิศวะนี่เราอาจจะต้องไปทํา ง, งานที่ที่กรุงเทพแล้วก็ต้องไปเช่าบ้านอยู่แล้วต้องต้องต้องเดินทางไปจากที่บ้านไปทํา ง, งานก็ค่าใช้จ่ายมันก็หมดละแต่อยู่ที่เนี่ยบ้านเรานั่งรถ สงแถวบาทเดียวก็ถึงที่ทํางานแล้วอะแล้วงานก็ไม่ได้แปรเปลีป่ยนเราต้องทำทั้งวันพอเราจัดระบบเสร็จแล้วก็เพียงนั่งกินกาแฟดูเด็กมันทํางานไปวันๆแล้วก็นั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยากจะลงไปเล่นน้านําแล้วก็เล่นน้ำของเราไปเราไม่ต้องทําทั้งวันเราเพียง <c oughs> แต่เราจัดดูแลให้มันระบบมันเป็นไปของมันแล้วเราก็เวลาถ้าร้านมันยุ่งๆคนมันไม่ค่อยพอเราก็ลงไปช่วยเขาหน่อยเท่านั้นเองถ้าอยู่ในธรรมดามันก็ไม่ค่อยมีคนอยู่ ก็มันเป็นสารที่ต่างอากาศมันจะมายุ่งเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์เท่านั้นวันธรรมดาก็จะไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่แล้วก็พอใจแล้วก็ตอนนั้นตอนต้นก็มีเวลาอ่านหนังสือก็อ่านไปเยอะที่ไปไปเจอหนังสือธรรมะเข่าสิเพราะไ่านหนังสือธรรมะแล้วมีวิธีสอนวิธีนั่งสมาธิพอเรินั่งสมาธิแล้วเทนี้มันเริ่มเห็นแล้วว่าโอ้การทํางานนี้มันมาขัดกับการนั่งสมาธิของเรา มันเลยก็ต้องมีมีมีเหตุให้ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงถ้าอยากจ ะ, จ ะ, จะเจริญก้าวหน้าทางด้านนั่งสมาธิก็ไปกับการทํางานนึงไม่ได้เราก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะค้าว่าไม่ไม่ค่อยเสียดายทางด้านเรื่องเงินทองเรื่องวัตถุแล้วเพราะเราก็อยู่แบบง่ายๆได้กินวิ่งเตี๋ยวทั้งหมดก็กินได้กินอาหาในโรงแรมก็กินได้ได้ทุกอย่าง ไ ม, ไ, ไม่ได้ไม่ได้ไปยึดไปติดกับเรื่องการอยู่การกินเท่าไหร่แต่มากัวงวลเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกในจิตใจมากกว่าถ้าจิตใจมันมีความวุ่นวายมีความไม่ไม่ไม่มั่นคงมีความรู้สึกหวั่นไหวกับเรื่องนี้นเรื่องนี้ไอ้ตัวนี้มันกลับเป็นตัวที่ทาให้เราเกิดความความคิดว่าจะทำยังไงที่จะต้องแก้มัน ก็เลยได้ธรรมะเนี่ยเรามานั่งสมาธิดูแล้วก็จิตใจมันขณะที่มันมีความสงบมันก็มีความรู้สึกแนวแน่มันคงหรือแต่พอมันออกจากสมาธิแล้วมันต้องไปสัมผัสกับเรื่องธุรกิจการงานต่างๆมันก็เกิดให้มีความปั่นต่วนขึ้นมาอีกเราก็เลยเห็นแล้วเนี่ยความแตกต่างระหว่างการเข้าสู่สมาธิกับการทํางานมันไปคนละทางกันเลยดังนั้นเราต้องการจะไปทางนี้เราถ้าเราต้องการความสงบความสบายใจเราก็ต้อง เราก็ต้องตัดทางนี้ไปเราก็เลยไปลาฝรั่งซึ่งทํางานได้แค่หกเดือนฝรั่งมันคิดว่าเราลาเพื่อที่จะของเงินเดือนเพิ่มถามว่าคุณต้องการมันนี่เพิ่มไหมบอไม่หรอกว่เราตอนนี้พอดีเราได้มาศึกษาธรรมะได้มาฝึกนั่งทําสมาธิแล้วเรารู้สึกว่าการทํางานกับการนั่งสมาธินี่มันขัดกันแล้วใจเราเราอยากจะลองไปทางนั่งสมาธิมากกว่าเพราะว่าทางโลกนี้เราก็สัมผัสมาพอสมควรแล้ว งานการก็เคยทํามามากพอสมควรแล้วความสุขในทางโลกก็เคยสัมผัสมา mm. เที่ยวก็เที่ยวมาพอสมควรนะอะไรนะแต่ทางความสุขทางด้านความสงบนี้ยังไม่ค่อยได้สัมผัสมากเท่าที่ควรอยากจะสัมผัสให้มันมากไปกว่า น, นี้เ mm. วลาคิดว่าอยากจะออกจากงานแล้วคิดว่าจะจะปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งทดลองดูว่าปีหนึ่งนี้จะเป็นอย่างไรว่าสามารถที่จะก้าวหน้าไปในทางทั้งปฏิบัติได้ไหย ถ้าก้าวหน้าได้ก็คงอาจจะไปดูต่อไปถ้าไปไม่ได้ก็อาจจะกลับมาทำ ง, งานแล้วก็จะเลิกนั่งสมาธิไปเลยคือต้องเอาแต่อย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยเพราะถ้านั่งสมาธิแล้วมาทา ง, งานด้วยมันก็เหมือนกับเป็นน้ำร้อนกับน้าเย็นมันก็ไม่ร้อนมันก็ไม่เย็นมันก็อุ่นๆทางานทางร่วมันก็ไม่เจริญก้าวหน้าหรอกคนที่ทำสมาธิมากๆ แต่ถ้าแต่ถ้าทํางานทางโนกแล้วทําสมาธิเรื่องมันก็ไม่เจริญทางธรรมะท้องทุกข์เพราะมันเป็นคนละที่คนละทางกันต้องถึงเวลาเธอต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วก็เลยขอเวลาสักปีปีนี้จะจ ะ, จ ะ, จ, ะจะใช้เวลาอยู่กับการปฏิบัติอยู่คนเดียวพราดีโชคดีมีบ้านอยู่เป็นห้องแถวโยมไม่มีใครเข้าอยู่เพราะปล่อยเราอยู่คนเดียวแล้วก็เลยใช้เป็นเหมือนกับเป็นวัด เชืเช้าขึ้นมาแล้วก็นั่งสมาธิอะไรพอสายสายเราก็ลงมาเดินจงกรมทํากับข้าวกินเองอะไรเองหรือไม่งั้นก็นกไปซื้อข้าวกินข้างนอกกินก็กินวันละนึ่งใหญ่ก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอ่านหนังสือธรรมะทําอยู่สามอย่างทำอยู่แต่ในบ้านกว่าบ้านถึงบ้านอะไรขอเราไปคนเดียวบไม่มีตอนนั้นก็อ่านหนังสือธรรมะที่ได้นา มาถได้มาจากประเทศสังกาเป็นแราาน์มาถือภาษาอังกฤษพระสละเข้าไปแปลออกมาจากพระไตรปิฎกก็มีเกี่ยวกับเนี่ยธรรมจักรเกี่ยวกับมาหาสติปัฏ ฐ, ฐานสูต ร, รโดยเฉพาะมาหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยที่เรายึดเป็นอาจารย์ตอนเช้าขึ้นมากระท่องสูต ร, รนี่นั่งท่องไปในใจมันกระสวดมนต์ไปแต่เป็นภาษาอังกฤษนะท่องไปมันก็เข้าใจความหมายด้วยว่า ว่าให้ทําอะไรเป็นเบื้องต้นให้ไปหาที่สงบตามคนไม้ตามป่าตามเขากําหนดจิตดูลมหายใจเข้าออกนี่ออกจากสมาธิเริ่มเดินเริ่มยืนเริ่มนั่งก็ให้มีสติอยู่กับการเดินยืนนั่งนอนแล้วก็ให้มาพิจารณาดูกายดูพิจารณาการสามสิบสองดูสรางศพดูอสุภะอะไรต่างๆแบบนีน้แล้วก็พิจารณาดูเวทนาดูว่ามันมีสุขมีทุกข์มีไม่สุขไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา มันเป็นอนิจจังเพื่อั้งหน้าตาให้รู้แล้วก็ปล่อยวางตามความเป็นจริงแล้วก็ปฏิบัติไปอย่างนี้ตามลาพังเพราะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่ามีครูบาอาจารย์ที่ไหนเพราะก่อนที่ปฏิบัติธรรมก็ไม่เคยเข้าวัดในหนังสือธรรมะก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จากที่ว่าได้กับคนที่เข้าไปไปเที่ยวที่พัทยาเป็นฝรั่งคุยกันแล้วเขาก็เห็นว่าเราชอบทางนี้เขาก็แล้วหนังสือนี้มาให้อา พอเราได้อ่านเล่ม น, นึงแล้วก็เลยเขียนหนัสือไปขอต่อจากที่ประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาส่งหนังสือมาให้แลมาเราก็อ่านอ่านแ ล, แล้วก็ปฏิบัติของเราไปคนเดียวเนี้ยไปเรืงปฏิบัติได้ปีหนึ่งก็เลยรู้สึกว่า ตอนนี้เราบวแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรละทาเราปีหนึ่งนี้เราก็อยู่เหมือนกับเป็นพระเราไม่ต้องไปเที่ยวเนี่ยเราก็อยู่ได้เราวันวันอย่างนี้ให้เราได้นั่งสมาธิเดินโยกผมได้อน่นหนังสือธรรมะนี่เราก็อยู่ได้่ะก็เลยก็เลยต้องต้องคิดว่าต้องไปหาวัดที่มีการปฏิบัติอยู่ไปคุยกับสัมพภารใกล้วัดใกล้บ้านท่านก็บอกว่าท่านก็เป็นวัดบ้านธรรมดามีงานตกมีงานตวจมีงานอะไร แต่ท่านก็เคยไปกราบครูบาอาจารย์ทงางทางภาคอีสานท่านมีการปฏิบัติจริงๆท่านบอกว่าให้ไปดูที่วัดบกกัวชาวสมเด็จยางแล้วท่านจะอนุญากให้ไปฝึกอยู่กับครูบาอาจารย์ทางภาคอีส า, านตามาก็เลยไปไปการสมเด็จยางไปขออนุญาตให้ท่านพ่อไปไปคนเดียวท่านก็คิดว่าเราเป็นคนคนเหมือนกับไม่มี ไม่มีบ้าน ม, มีเรือนกระถามมีพ่อมีแม่ปะ่ะเราก็ไม่รู้จากท่านเนี่ยพอดวแล้วก็มาเคยเข้าไปไปท่านกระถามอว่ารู้จักกายในว่านนี้หรือเปล่าไม่รู้ก็เพึ่งพึ่งพึ่งเจอภาพฝ้าหลังอยู่รูปหนึ่งไม่ได้คุยกับท่านแลท่านก็ไปกาะาไปไปไปเล่าเรื่องให้สมเด็จฟังสมเด็จก็แล้วพาให้พาโยมมาพบหน่อย ก็เลยกลับมาบอกให้โยงไปไปกล่าวท่านท่านก็กำ ร, รังวันตรวจให้ก็ได้ н. ตรวดพอดีช่วงนั้นก็มีฝรั่งพระฝรั่งเข้าไปวัดตาบ้านตาดกันอยู่ด้วยก็เลยดูว่ า, าทางภาคอีสานมีวัดตาบ้านตาดมีวัดหลวงปู่เทศหรือวัดมีวัดหลวงปู่ฟ้าน ท, ที่ที่มีชื่อมีเสียงก็เลยคิดว่าก็าอลองไปดูก็เลยไปที่วัดตาบตานต่นแรก ไปก็ก็ไปอยู่ตอนตอน้ตนท่านอาจารย์ท่านก็ไม่รับนะท่านก็บอกว่าอยู่ได้ชั่วคราวก็อยู่ไปอยู่ไปเรื่อยๆท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรส่วนใกล้วันเข้าพรรษาท่านก็มามาเตือนสติบอกว่าเราเราเรารับเธอชั่วคราวเท่านั้นนะถ้า <c oughs> อยู่ไม่ได้นะท่านก็พูดอย่างเงี้ยพอช่วงใกล้เข้าพรรษาท่านจะเริ่มเริ่มเลือกพรนะละเพราะท่านจะรับจำนวนจํากัด ปีนั้นท่านรับแค่สิบเจ็ดลูกท่านั่นเองสิบเจ็ดสิบแปดลูกท่านก็บอกว่าองนั้นอยู่ได้องนี้อยู่ได้สําหรับเราเราก็อยู่ไม่ได้จะอยู่ชั่วคราวท่านบอกให้อยู่ชั่วคร า, ทาวาท่านนั้นท่านพูดตอนก่อนที่ท่านจะเทศแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรเราก็ไม่รู้จะทํายังไงก็เฉลยเฉลยไว้ก่อน <c oughs> ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเอาอยัางไง ว่ท่านเทศเสร็จแล้วเวลาเลิกประชุมจะกล่าบพระท่านก็พูดว่าองค์นั้นจะอยู่ก็อยู่นะก็อยู่มาตลอดแต่ไปอยู่นั่นก็ไม่ได้ไปไหนนะห้ารษาแรงนี้ไม่ได้ออกจากวัดไปไหนเลยก็อยู่ตรงนี้ปฏิบัติอยู่ห้าพรรษาแล้วก็คอลามาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโยมครั้งนึ่อยู่ที่นั่นได้ออกจากวัดมาทั้งหมด ลาอมาเยี่ยมบ้านสองครั้งแล้วครั้งที่สามก็มาแล้วก็ไม่ได้กลับไป เ, เลยตลอดเวลาเกือบเก้าปีนี้ก็ออกมาจากบ้าถึงสามครั้งนึงเราอยู่ที่นั่นก็เคยเข้าไปในโรงพยาบาเพียงสี่ห้าครั้งนึงเคยไปกินนิมมูลครั้งสองครั้งที่ที่ท่านบอกว่านานๆจะมีสักครั้งนึงก็เคยติดไปแล้วก็เคยไปหาหมอตอนบางทีก็เป็นไข้เป็นไข้ป่าก็เลยไปฉีดให้หมอฉีดยาใยห้ส หลงจากนั้นก็ไม่เคยไปไหเลยอยู่ดอนก็ไม่เคยไปกลับครูบาอาจารย์ที่วัอนอื่นเลยไม่รู้จักครูบาอาจารย์ทัง้งหลายก็ <c oughs> ไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะต้องไปเพราะเรารู้ว่าเราไปไกกระเท่านั้นเนี่ยไปท่านก็สอนให้เรากลับมาตั่งภาวนาอดี <c oughs> ๆไม่ได้เป็นไรไปหาครูบาอาจารย์กี่ร้อยลูกก็เหมือนกันตั้งกอดทนจีนภาวนาเงี้ย หายเจอแะถ้ามันเจออาจารย์ในใจเราแล้วมันลง ไ, ไปหาข้างนอกอีกนะ <c oughs> <c oughs> ผู้ใดเห็นธํามผู้นั้นเห็นเราตถาคนเนี่ย <c oughs> มันอยู่ตรงนั้นเนี่ยทําใจให้สงบเถอะจิตสงบแล้วมันไม่ไปหาใครแล้วละ <c oughs> มันรู้มันอยู่ในตัวเรา <c oughs> แต่ทําต่างๆที่ได้ยินได้ฟังนี่ก็สําคัญเพราะถ้าเราไม่ได้ยินได้ฟังเราก็ไม่รู้ เรื่องปัญญาเรื่องอะไรเหล่านี้เราจะไม่รู้ต้องอาศัยคนที่ผ่านมาแล้วแต่เพียงแต่รู้อย่างเดียวไม่พอเราต้องนำเข้ามาปฏิบัติให้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาในใจอย่างหลวงจารย์นั่นพูดเสมอว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านนี่มันเป็นความจำนะมันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงมันต้องเกิดจากการปฏิบัติความสงบนี้เราก็ได้ยินมามาแล้วแต่มันสงบหรือยังในใจเรา เราต้องทำให้มันเกิดเป็นความสงบขึ้นายในใจเราให้ได้เมื่อมันขึ้นมีความสงบแล้วมันจะมีฐานทีนี้เวลาพิจารณาทางปัญญามันจะไปมันเห็นตายรักมันก็จะปล่อยได้ตอนนี้เราเห็นตายรักแต่เรายังปล่อยไม่ได้เรายังเสียดายอยู่เห็นว่าต้อง ต, อง ต, องตองจัง ก, กันแต่ก็ยังยยยััยังงงทิ้งกันไม่ได้ แต่ถ้าเรารู้ว่าเอ่อมีถ้ามันมีความสงบแล้วมันมันมีที่ยึดแนทนตอนนี้เรายึดสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ทั้งที่ทเรารู้ว่าสิ่งที่เรายึดเราติดนั่นมันมันเป็นของไม่เที่ยงก็ตามแต่เราก็ยังต้องอาศัยมันอยู่เราก็ยังปล่อยไม่ได้แต่ถ้าเราได้ความสงบภายในใจแล้วเราปล่อยได้เพราะเราได้สิ่งที่ดีกว่าวคือความสงบนี่นเป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถยึดตามลําพังของเราได้โดยที่เราไม่ต้องมีอะไร แต่เพียงแต่ว่ามันยังมีการต่อสู้กันอยู่ทั้งนั้นพกิเลสมันยังไม่ยอมมีสมาธิถ้ากิเลสยังไม่ตามมันก็ยังหลอกล่อเราอยู่มันยังหลอกให้เราไปไปชอบสิ่งนั้นไปชอบสิ่งนี้ยังอยากได้สิ่งนั้นยังอยากได้สิ่งนี้ถ้าปัญญาตามทั้งก็สกัดมันหยุดไปทักทักนี่ประเดี๋ยวมันก็หลอกไปอีกจนกว่าเราจะรู้ทันมันรู้ว่าเอออย่าหลอกเลยมันไม่เอาแล้วมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นถ้ารู้ทันมันแล้วตัดมันได้มันก็จบ ตัวนั้นมันก็หลอกเราไม่ได้ต่อไปแล้วต้องอาศัยปฏิบัติสู้กันไปจนกระทั่งฝ่ายหนึ่งฝ่ล้มหายตายจากจากกันไปถ้าเขายังอยู่เขาก็จะสร้างความหลงกวามใจให้กับเราเราจะอยู่ไม่เป็นสุเราจะอยู่เฉยเฉยไม่ได้ก็จะต้องหลอกล่อเราอยู่เสมอแต่ถ้าเขาหมดไปแล้วเราก็อยู่เราสบาย แต่้งใจพูดถึงตอนที่ตัดใจออกจาก ง, งานแล้วมาทำภาวานานี่ใครคะว่าภาวติวมาที่เนี่ยเุามความพร้อมระดับหนึ่งเลยรท่าน <imet S 1> ไม่ใชก็มันได้สัมผสัสมาบ้างอะใคยนั่งมันมันเจ็บมันปวดอยู่แล้วเราก็เราก็ภาวน า, นานไปกําหนดอนนิจจังอนนี้จังไปเักพักมันก็หายไปมันจิตมันสบงบนิ่งเข้าไปเมื่อก่อนนี้มันเจ็บปวดตรง น, นั้นเจ็บปวดตรงนี้นมันหายไปเลย มันก็แปลกใจใหาทำไมเมื่อกี้นี้มันเดินรอนกอดแก่งแต่นี่มันหยุดนิ่งก็เลยดับประเด็นได้ว่าอ๋อไอ้มันอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันดับได้ ม, มันเปลี่ยนแปลงได้ที่หลายคนบางทีโยมก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะน่าจะตัดทิใจออกมาธรรนานะทำ <laughs> แต่ว่าเคยได้ยนินท่านอาจารย์พูดถึงว่าอย่าชิงสุกก่อนหาม เป็นคำที่ดีมากเลยถ้าบอกว่าเราไม่มีความพร้อมเหมือนกัออกมาซ้ายเราไปไม่ได้ขวาก็ไปไม่ได้เราไปมาก็เคว้งปางเคว้ความในรัศมีนั้นก็ต้องถอยต้องบนเพ็ญในขั้นของเราอถ้าเราถนัดตอนนี้ทําบุญทาทานก็ทําไปการรักษาสิ่นั้นแล้วอยู่ในโลกคารวะแล้วบางทีสังคมพวกนี้ก็มันเป็นอุปสรรคในการภรวนาก็ต้องตีออกมาบ้างเลยต้องตีออกมาบางเช่นวันจาวันอาทิตย์วันหยุดนี่ก็ไปอยู่วัดกันอะไรอย่างนี้คือ เราต้องค่อยๆเป็นค่อยไปมันไม่ใช่อยูๆ่ๆเราจะตัดมันทีเดียวให้ขาดได้เลยแต่เราก็ต้องมีความพยายามมีความกล้าหาญที่จะต้องทำในสิ่งที่เราคิดว่าเราพอทำได้ถึงแม้ว่ามันจะเราเราจะไม่ชอบทำถึงแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่ลงบากแต่เรารู้ว่ามันเป็นทางที่เราจะต้องไปเราก็ต้องพยายามกระเสือกกระสนไปไม่ใช่จะรอให้อกาส ม, มันมาแล้วมันมันมันฉุดเราไปนี่มันคงจะไม่มีหรอก โอกาสต่างๆที่ที่จะฉุดเราแนละ้วมันมันมีอยู่ให้เราหมดแล้วกรูบาอาจารย์ดีๆก็มีอยู่แล้วเมืองพุทธก็เป็นเมืองพุทที่น่าอยู่เป็นเมืองที่มีการทําบุญทําทานรักษาศีลภาวนากันอยู่แล้วถ้าแต่ว่ามันไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคแล้วอุปสรรคก็อยู่ที่ตัวเราเท่านั้นแหละว่าเราจะถักตัวเราให้ไปได้ไหรือไม่นั่นเอง ถ้าเรายังอยู่แบบเดิมๆอยู่ <Okay. S 1> ทำแบบเดิมๆอยู่เราก็จะได้แค่รักษาบุญวาสนาที่เราเคยสะสมมาเราก็ทำได้แค่นั้นเช่นนะถ้าเรารักษาสินห้าได้เราก็จะรักษาได้แค่สินห้าถ้าเราถ้าเราทำบุญทงทานได้ระดับนี้เราก็ทำได้ได้ในระดับนี้นีเหตุปัจจัยส่วนหนึ่งล้วก็มีจากสภาพเป็นล็อกจากครูบาอาจารย์แต่เ ห, <ม>เหตุปัจจัยส่วนหนึ่งเราก็ต้องทาเ อ, ง, อางนั่นเอย ใช่ท่านเป็นเหมือนแถมที่อ่ะท่านเป็นเหมือนกับผู้ชี้ทางว่าต้องไปทางนี้นะคุณเดินมาถึงตรงนี้แล้วคุณจะต้องเดินไปทางนี้ต่อเมื่อฟังแล้วคุณก็ต้องเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ฟังแล้วก็แรักกระหลือเท้าหัซ้ายออกหูวขวาแล้วก็กลับไปทํางานทำการเหมือนเดิมวันเวลามันก็ผ่านไปมันก็ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รับการพัฒนาเพียงแต่ได้รับการรักษาให้อยู่ในระดับเดิมเท่านั้นเอง ถ้ายังไม่เคยภาวานานก็ภาวานาลองอยู่ที่บ้านลองหัดฝึกนิสัยเตือนแต่เช้าก่อนไปทํางานอีกสักชั่วโมงถ้าไม่เคยเตือนกี่โมงก็ตือนมันก่อนอีกสักชั่วโมงแล้วใช้เวลานั้นนั่งนั่งไหว้พระสวดมนต์นั่งทํงามสมาธิตอนเย็นก็เหมือนกันก่อนนอนก็ปฏิบัติพยายามลดละไอ้เรื่องที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จําเป็นต่อการทํามหากินเห็นที่ จะไปนั่งกินเล่าเมายาหรือไปสนธนาพาใสไปเที่ยวไปเดินชอปปิ้งหรือทำอะไรเหล่านั้นถ้ามันไม่จำเป็นก็ตั ด, ตดมันลงไปให้มันน้อยลงไปเอาเวลานี้มามามาภาวนาะกลับบ้านเร็วหน่อยไม่ต้องไปสังสรรค์ไม่ต้องไปสมาคมกับคนนู้นคนนี้มากวายไปเกินไปอาจจะไปแต่เฉพาะงานที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นเองอนนี้นที่มันไม่จาเป็นก็กลับบ้าน แต่ถ้ามันมีภาระมีครอบครัวมันมีอะไรนี่มันก็มันก็ลาบากอย่างเรามันโชคดีเราเพิ่งเรียนจบนึงจบมาใหม่ๆเราก็ยังไม่มีอะไรงานก็ไม่มีทำงานที่ทำก็ไม่ใช่เป็นงานที่เราจะอยากจะได้แต่มันต้องทำเพราะว่ามันต้องมีอะไรเลี้ยงชีพก็ทำไปพอประทังชีพไปเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้รู้สึกเสียดายอะวเวลาจะต้องออกจากงานเวลาจะบวชมันก็ไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองติดตัวอยู่ มันก็ไม่ได้เสียดายอะไรมันก็เลยไปง่ายเอาอเราไปตัวเหมก็มาตัวเปล่าแล้วเราก็ไปตัวเปล่ายังไม่ได้มีอะไรที่เราจะต้องเสียดายไม่มีอะไรที่จะดึงเหนี่ยวรั้งให้เราอยู่ติดกับชีวิตของฆราวาสมันมองไปข้างหน้าแล้วรู้สึกว่ามันมีแต่ความหวังว่าไปทางนี้ก็ดีนะจะได้ปฏิบัติเต็มที่อะไรเงี้ย แล้วคนที่ชอบปฏิบัตินี่จะเห็นเลยว่า โ, โอ้การเป็นพระนี่ดีที่สุดเลยพระพุทธเจ้านิวางทางให้ไปทางนี้จริงๆเป็นพระนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าศึกษาตามตามแนวทางที่พระเจ้าทรงสังส่งสอนเนี่ยให้ภาวนาเรื่องเดียวเลยให้เจริญสุนสมาธิปัญญาเท่า น, นั้นแต่พระสมัยนี้เขาไม่ได้ศึกษากันหรือเขาศึกษามาจากไหนใครก็ไม่รู้เพราะมีงานของเขา เ, ขาาเยอะแ ย, ยะกันหมดอะงานบ้านงานอะไรงานสวยงาน การสร้างเมนงานสร้างอะไรของเขาไปเนะี่ยซึ่งไม่ไม่ไม่มีในสมัยพุทธกาลพุทธกาลไมไ่ถืองานหลังนี้เป็นงานหลัก ง, งานหลักนี่อยู่ที่ภาวนาพระว่นะวาเจ้าไม่สร้างวัดแม้แต่วัดเดียวคิดดูถ้าถ้าเป็นงานของพระจริีๆแล้วใครจะมาสร้างเก่งเท่าของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะสร้างเป็นน้อยวัดพันวัดก็สร้างได้นะสมัยนั้นแต่มันไม่ใช่งานของพระงานของพระให้สร้างทําให้เกิดขึ้นในใจเท่านั้น ส่วนที่อยู่าสายก็อยู่ไปตามมีตามเกิดไม่มีสรัทธาก็จะเข้าสร้างสติให้ท่านก็สอนให้รู้ขมูลเช่นอาสนางังให้อยู่โคนไม้อยู่ตามเรือนร้างอยู่ตามถ้ำอะไรตามที่ว่างที่สงบที่สงบนั่นคือที่อยู่ของพระสมัยก่อนผ้าก็บ้าบางสกุลผ้าที่เขาทิ้งตามป่าชา้าทึงตามป่าท่านตามกองขยะเศษผ้าไปเก็บมาแล้วก็เอามาเอาม า, มาตัดมาเย็บ แล้วก็มาย้อมใช่ได้แหละสมัยนี้ก็สมัยนั้นคนละคนละโลกกันสมัยนี้ร้านเนีเรามายุ่งกับไอ้เรื่องทางด้านวัตถุเยอะมากในเรื่องกับพิธีกรรมเยอะมากจนกระทั่งไม่ไม่ลืมของดีไปเพราะว่ามันยากถ้าจิตใจของคนที่จะเข้าสู่ธรรมจริงๆถ้ามันมันไม่มี ความตั้งใจไม่มีความทข้าใจแนละ้วมันจะมันจะไปไม่ถึงทุกคนสมัยนี้บวชกันบางทีก็ยังไม่รู้ว่าบวชทาไมเลยก็นะบวชกันตามตามตามประเพณีมาบวชแล้วก็อาจจะชอบก็าอาจจะอยู่ต่อแล้วก็คิดว่าการอยู่แค้เกิดประโยชน์ก็คือการสร้างโบสถ์สร้างศาลาอะไรเหล่านี้แต่ไม่ค่อยได้จะหนักไปทางด้านการศึกษาการปฏิบัติศึกษาก็พอที่จะ เอามาท่องจําเหมือนกับนกขุนทองแล้วก็เอามาสอนคนอื่นต่อได้ปะระเด็นเก้าประโยชน์แล้วก็มาสอไม่เคยเอาเก้าเก้าประโยชน์นี้มาปฏิบัติกับตัวเองเลยก็เป็นความรู้ที่มีอยู่ในใบประกาศเท่านั้นเองแต่ในใจ น, นกจิเลนนั้นก็ยังเต็มหัวใจอยู่ กายสีบอกงั้นขอคำถามนะ่านอาจารย์เมื่อกี้นอาจรยพูดถึงเรื่องเรานั่งแล้วเราเจ็บเรื่องนะครับเจ็บพลาเจ็บอะไรเนี่ยเล้วแต่ท่านจาพูดถึงพราะมันเป็นวิภาวะตัณหาไม่คือความเจ็บมันเป็นเรื่องเป็นธรรมดาธรรมดา<ข>ใช่ไหมของร่างกายมันก็เรามีเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้เป็นธรรมดาแต่วิภาวะตัณหานี่มันเป็นตัวสร้างความเจ็บ ความทุกข์ขึ้นมาเขาเรียกว่ทุกข์ในอริยสัจเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจทุกข์ที่เกิดจากความอยากที่จะให้ความทุกข์ความเจ็บนี้หายไปอันนี้เราสามารถที่จะทําให้มันดับได้ที่เรียกว่าน e u r o โดยใช้ปัญญาบอกว่าความเจ็บของร่างกายมันแค่นี้พอทนได้ไม่เป็นไรหรอกมันจะเป็นก็ให้มันเป็นไปเดี๋ยวมันก็หายเองแต่เราอยากไปอยากให้มันหาย พอเราอยากให้มันหายแล้วมันก็จะเกิดความทุรนทุรายขึ้นมาภายในใจคือเราส่วนใหญ่ใจเราจะไม่ชอบความทุกข์ทางทุกเวทนาความเจ็บเนี่ยพอหมอบอกต้องฉีดยาในใจมันก็เจ็บก่อนแล้วทั้งๆ้งที่เขนยังไม่ถึกร่างกายเลยนี่แยกเป็นขั้วเหมือนก็ทุกข์ใจกัทุกข์ใจทุกข์ใจได้เนี่ยทุกข์ใจดับได้ด้วยด้วยปัญญาด้วยมากที่เที่ว่าอริยสัจอริยสัจครับแต่ ทุกใจนี้มันก็อาศัยทุกกายเป็นตัวทําให้เกิดแต่เราหิวข้าวมันก็เกิดความทุกทุกกายแล้วใจก็หงุดหงิด ต, ตามไปด้วยเวลาคนหิวข้าวนี่พูดกันบางทีพูดกันไม่รู้เรื่องต้องให้กินข้าวหยิบก่อนแล้วถึงค่อยคุยกันถึงจะรู้เรื่องเพอตอนนั้นใจมันหงุดหงิดใจมันถูกให้ตัวตาลขาครอบงำตอนนั้นคิดใจจะกินอย่างเดียวใครมาพูดเรื่องอะไรแล้วฟังไม่รู้เรื่องนะแตถ่ถ้าจับที่ใจได้ แต่ไายก็ไม่จําเป็นต้องดับนะดับไม่ได้มันต้องไปดับมันไปดับม่ไดมันไปดังมันธนรมชาติมันเองใช่แต่มันจะดับไปส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเกิดจากใจไปไปสร้างมันขึ้นมาเข้าใจไหมพอใจเราไม่ไปไปไปไปเกี่ยวข้องกับร่างกายให้ความเจ็บถ้ามันก้องางทีกหายไปหรือบางทีมันโดยธรรมชาติมันจะเป็นอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็จะหายไปพอะเดี๋ยวมันก็จะกลับเป็นขึ้นมาใหม่มันเป็นธรรมชาติของของร่างกายที่มันจะเป็นอย่างไงแต่ถ้าใจเราไม่ไปยุ่งกับมันแล้วมันจะไม่มีอะ มันจะไม่สามารถที่จะมาทําให้ใจเราไปเกิดความทุกข์กับมันได้ถ้าเราฝึกถ้าเราไม่ฝึกนี่ส่วนใหญ่เราโดยนิสัยของเราพอเจอความเจ็บนิดเราจะขยับละเราจะหนีละอย่างนี้ทีถ้าอะไรเป็นความเจ็บแล้วไม่เอานะันมันก็เลยเป็นนิสยัยพอไปอยู่ในสภาพที่ขยับไม่ได้มันก็ทรามานใจ เวลาบางีเราต้องไปนั่งฟังเทศฟังธรรมครูบาอาจารย์นานๆอย่างพระเวลาครูบาอาจารย์เทศน์นั่งต้องขยับไม่ได้นะแต่กว่าท่านจะท่านจะเลิกเทศ mm hmm. ก็นั่งไ ป, ปกัวก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าเราพยายามตั้งใจฟังอยู่อย่างเดียวใจเกาะอยู่กับการฟังไอ้ความเจ็บมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรง mm hmm. แต่ถ้าเราเกิดขาดสมาธิในการฟังแล้วมันมาสนใจกับการเจ็บมันยิ่งเจ็บขึ้นใหญ่เพราะ mm hmm. มันเกิดจากการสร้างขึ้นมาของจิต ไปทำให้มันรู้สึกว่ามันมากขึ้นเหมือนกับเราขยายภาพให้มันใหญ่ขึ้นภาพมันขนาดนี้แต่เราคล้องขยายมันขยายใจเราเวลาเราไม่ต้องการมันเรารู้สึกมันจะจะจะบุญแรงมากขึ้นแต่ถ้าเราชอบแล้วมันจะรู้สึกเฉยเฉยใช่ไหมเวลาใจเรานั่งดูหนังฟังเพลงหรือนั่งเล่นไพ่กันนี้นั่งทั้งคืนมันก็ไม่รู้สึกเจ็บคนคนชอบ อย่างนี้แสว่าในในเพล่ของคาร์ลบ้านไม่มีทางปฏิบัตินี้อสำคัญที่หยุดพอ้อม ไ, ได้เลยใช่ได้อยู่ที่มันอยู่แต่ละคนไงเพียงแต่ว่ามันยากคือสิ่งแวดล้อมมันไม่อำเนือยถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับการรักษาถ้ารักษาที่บ้านกับรักษาโรงพยาบาล น, นี่มันต่างกันร<ม>ักษาที่บ้านมันไม่ค่อยมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่เหมือนกับอยู่ที่โรงพยาบาลที่เขามีอยู่มียามีหมอมีพยาบาลมีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อม ทำการผ่าตัดหรือทำการอะไรทันทีนันใดก็ทําได้อยู่ที่บ้านนี่มันไม่มีก็เหมือนกับการปฏิบัติที่ในเพศของคารวาเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ที่ในวัดนี้มันมันมีความแตกต่างกันแต่ยกเว้นคารว่าบางคนก็อาจจะมีบุญมีวาสนาเช่นเขามีเงินมีทางเขาสามารถสร้างห้องปฏิบัติของเา้าเขาอยู่ของเ้าคนเดียวไม่ให้ใครมายุ่งเขาเขาก็สามารถที่จะปฏิบัติได้ คือขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถสร้างสร้างสร้างปัจจัยที่จะเอื้อในการปฏิบัติให้ได้หรือไม่แท่นั้นเองถ้าเราสร้างได้เราก็เราก็เหมือนกับเราอยู่วัดสมมติถ้าเราอยู่อย่างราจะาตอนที่ปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งคนเดียวก็อยู่ในบ้านคนเดียวก็ไม่มีใครมายุ่งกับเราเราก็ปฏิบัติของเราได้มาถึงก้าวหน้ า, าได้พอสมควร แต่เมื่อปเปรียบ เ, เ, เทียบกับการไปเมื่อได้บวชแล้วไปอยู่วัดนี่มันไปได้เร็วขออ่ายเยอะมีปัจจัยเคื่อนอย่างเงี้ยเพราะมีครูบาอาจารย์คอยคอยผลักคอยคอยดันคอยถีบคอยสุดท้ายแต่จะพูดพมีท่าบวชเวลามีปัญหาท่านกันาท่านอานจาหาบวชท่านแก้นะคะาอาส ม, มาก็โชคดีที่ว่าไม่ไ ม, ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะไม่อยากจะเข้าไปหาท่าน ก็คอยฟังที่ท่านเทศก็พอแล้วแต่สมัยนั้นท่านเทศบ่อยสีห้าวันนี่ท่านจะเรีย ก, กว่าชุมที น, นอาจารสอนค่อยสอนเข้มตอนนั้นสิวเข้มอยูก็จับเอาจากที่ ท, ท่านเทศใช่ไหมครัท่านเทศเพราะท่านเทศสองสองสองครั้งไงครั้งแรกท่านก็พูดแบบทั่วไปแล้วครั้งที่สองท่านก็จะเล่าถึงการปฏิบัติ ข, ของท่านเองว่าท่านนั่งทั้งคืนอย่างไรท่านต่อสู้กับความกลัวอย่างไรท่านทําอะไรอย่างไรนี่ก็ ตอนนั้นน่าจะย่างชั้นมากไปแล้วก็คุยกันคุยไปเห็นก็เคยยินครูบาอาจารย์พูดถึงว่าจะได้ทําจากลูกตามากหรือว่าแก้ปัญหาธรรมเนี่ยส่วนใหญ่ในเวลาที่ได้โอกาสเป็นนวดท่านคือถ้าได้ปฏิบัติกับท่านอยเช่นเป็นเท่าอุปถาบนี้ก็จะมีโอกาสเยอะเพราะเวลาอยู่ในน ก, กล้ตัวท่านนี่ก็เหมือนกับเราขึ้นขึ้นเวที ต, ต่อยต่อยมวยออะืมเพราะว่าผู้ต่อสู้ก็จะต้องคอยต่อยเราอยู่เสมอใช่ไหมก็ต้องคอยตั้ง สร้งรับอยู่เสมอก็ทำให้เรามีสติสตัททงมีปัญญาไ่้คอยรับแต่ถ้าเราไม่ได้เข้าไปปฏิบัติใกล้ชิดกับท่านเราก็เพียงแต่เหมือนกันนักคนดูนั่งดูเฉยๆแค่นั้นเองก็จะไม่ได้ไอ้สิ่งที่มันยกไว้ว่าเราเป็นคนที่เราสามารถที่จะปฏิบัติของเราเองได้เราก็ไม่ต้องอาศัยท่านให้เป็นตัวกระตุน้นเพราะเราแต่ถ้าได้ท่านได้ไปรับใช้ท่านใกล้ชิดอย่างนั้นเนี่ยจะเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกับพระอานุนที่ได้รับใช้พระพุทธเจ้า อย่างใกล้ชิดนี่ยจะไ ด, ได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทําได้ด้วยกันทุกคนใช่ไหมเพราะท่านก็องค์เดียวแล้วท่านก็มีลุกติดต้องเยอะแยะนี้ก็แล้วแต่ว่าท่านจะพิจารณาใครแล้วก็ไม่จำเป็นว่าทุกคนจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดแบบนั้นคนอื่นที่ไม่ได้ใกล้ชิดพระพุทธเจ้าหรือกับครูบาอาจารย์เขาก็บรรลุธรรมได้บางคนที่ก็มีปัญญาก็มีบรารมีพอ เพียงแต่ฟังธรรมะเพียงคำส่งคำซึ่งคนที่ไปขอฟังเทศในขณะที่ผู้เจ้าทรงบินสบายแล้วผู้เจ้าบอกตอนนี้ไม่ใช่เวลาสอนธรรมะแต่เขาบอกได้โปรดได้พูดธรรมะให้เขาฟังเถิดท่านก็ทรงพูดสันส้นๆบอกว่าจงพิจารณาเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันว่างเปล่าไม่ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีอะไรเป็นตาระเขาก็รับคํานั้นไปพิจารณาแล้วเขาก็ลึกๆมาเดินไปก็โดน ก็อยากจะไปบวชไงแต่ขอบวชก็จะไปเตรียมเครื่องบริการอะไรเงี้ยแล้วในระหว่างทางก็ถูกวัววัวกระทิงขวิดตายไปพระเจ้าก็ทรงสั่งให้หลังจากชาปน ก, กิจแล้วให้สร้างเจดีย์สร้างสถูกบรรจุกก็ดูกไวก็แสดงว่าเขาได้บรรลุธรรมนะงั้นแต่ละคนมันมันมันไม่มมันไ่เหมือนกันเแี่ปัจจัยความบุญบารามีของแต่ละคนนีมน่มันบางคน บางคนอยู่ว่บเจ้าตลอดเวลาก็ไม่ได้บรรุธรรมก็มีมกลายเป็นกระบทก็มีนะพระเทวทัตนี้ก็กลายเป็นกระบทขึ้นมาก็ได้เทวทัตนีห้หลงตัวเองพอหลังจากได้ได้ได้สมาธิได้อิทธิฤทธิ์แล้วก็ไม่เจริญทางวิปัสสนาต่อไปก็เลยปล่อยให้กิเลสนี้เอาอิทธิฤทธิ์นี่มามาใช้เป็นเครื่องมือทำให้เกิดความหลงว่าตนเองวิเศษเก่ง อยากจะขอรับหน้าที่เป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าต่อไปเมื่อได้รับการปฏิเสธก็เกิดความเสียใจเกิดความโกรธขึ้นมาก็เลยไปทํากรรมที่ไม่ดีที่พยายามจะฆ่าพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งด้วยกันจนใ น, นที่สุดก็ต้องถูกทอนิสูไปแต่เนื่องจากว่าได้สะสมบุญเรมาเรามีมามากอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงทํานายว่าหลังจากที่ได้ไปใช้กรรมในนรกแล้ว เมื่อพ้นมาแล้วก็จะได้มาบรรลุเป็นทานปเจกขาพุทธเจ้าต่อไปนั้นถึถงแม้ว่าบุญที่เขาได้ทำไว้มันยังไม่มีโอกาสปรากฏผลขึ้นมาในชาตินี้ก็ไม่นด้หมายความว่ามันสิ้นหาไปไหนการที่ได้บวชเขาพุทธเจ้าได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมมันก็ยังมีอยู่เพียงแต่ตอนนั้นมันถูกกร ร, รมมาบังนั่นเองก็ต้องไปใช้กรรมนั้นให้มันหมดไปเสียก่อนเมื่อหมดกรรมแล้วก็บุญนั้นก็จะ ส่งผลให้เราได้ให้เขาได้ไปไปสู่ที่เขาควรจะไปต่อไปดังั้นบุญกรรมมันก็มีจริงเพียงแต่ว่ามันจะออกมาใครมา ก, ก่อนมาหลังเท่านั้นเองงนั้นเราอย่าไปท้อแท้ว่า เ, เราทำบุญมาถทาเป็นแทบตายเราไม่ค่อยได้อะไรเลยบุญที่เราทําอาจจะยังน้อยไปหรือยังไม่มากพอแรายังไม่ถึงเวลาที่เขาจะส่งผลออกมา แล้วกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้มันพอดีกับจังหวะของเขาที่จ ะ, สะแสดงผลขึ้นมาหลังจากทาให้เหมือนกับว่าเราได้ทําบุญแต่เรามีแต่รับเคราะห์กรรมรับบากอยู่เรื่อยๆอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นผลของกรรมเก่าที่เราทําไว้แู้เราก็พยายามไปสร้างเหตุใหม่ที่ดีๆขึ้นไปต<ช>ลอดเวลาได้โดยไม่ได้พยายามไปเปลี่ยนผลเก่าเป ล, <ผ>ลี่ยน <ผล S 2> ไม่ได้เป<ผ>ลี่ยนผลเก่าทั้งบุญทั้งบาปนี้เปลี่ยนไม่ได้ เพแต่แว่ามันจะปรากฏขึ้นมาเมื่อไร่ท่านั้นเองนั้นก็มีหน้าที่ของเราคือมีแต่หน้าที่ทำบุญละบาปชำระติดใจนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทุทกๆพระองค์ที่เป็นพระโอวาทะปฏิโมกในวันมาคาพูชาเรื่องการกระทำความดีทั้งหลายถึงพรละการกระทำบาปทั้งหลายเสีย แล้วก็ทําระจิตใจให้สะาดหมดจดนี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ฉะนั้นอย่าไปต้องไปรอพระสีอานมาตรัสรุ้ลมคิดว่าจะบรรลุตอนนั้นเลยเพราะว่าสีอานก็จะสอนแบบเดียวกับที่พระพุทธเจ้าของเราสอนอยู่ในขณะนี้ถ้าเราปฏิบัติไม่ได้ต่อให้เจอพระสีอานอีกร้อยรูปก็เราก็ยังปฏิบัติไม่ได้อยู่นั่นแหละมันอยู่ที่อยู่ที่ตัวเรามไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์ คราอาจารย์ท่านทำหน้าที่ของท่านพร้อมบริบูรณ์แล้วตัวเราเราทําพร้อมหรือไม่ทา่านบอกเองเราต้องพยายามปฏิตเตธกายมาทางนี้ให้ได้พยายามป่อยวางความสุขทั้งโลกเสียมีอะไรพอที่จะลดะละได้จะตัดได้กระตัดมันไปคือต้องละทั้งละด้วยแล้วก็ต้อ ง, ท, งทั้งปฏิบัติทั้งบําเพ็ญด้วยละในสิ่งที่มันไร้สาระนัะ ละในสิ่งที่มันสร้างโทษให้กับเราแล้วก็บําเทาในสิ่งที่มีสาระบําเพทาในสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์กับเราต้องทําทั้งสองอย่างแล้วมันก็จะค่อยพาเราไปเองมันมันไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่ที่อะไรหรอกมันอยู่ที่การกระทำต่างหากที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยใน่งั้นจะมีพิกษณีที่เป็นท่าแล้วหันเลจะมีแม่ชีที่เป็นท่ า, าขึ้นมาได้ไง ก็มีได้เองนะเนี่ยมันอยู่ที่การปฏิบัติเป็นหลักงนั้นก็ขอให้เราจงใช้ความแน่วแน่มีความมั่นใจว่าเรามากถูกทางแล้วอขอให้เราพยายามตะเกียกตะกายไปให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วผลที่จะดีก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปมันจะให้พรอยู่นะ ยะถาวารุวาหาสุราภะปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตจีงเปตานังอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุหังคิโตเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปจันโทปัญระโสยะถามณิโชติระโสยถาสพิติิวะฉันตุสัพพะรโควินาสตุ มาเตผวะวันตระโยสุขีทีขายุโภภพภะอภิวัฒนศิลิะมิจังุทธาปจายโนจตรารธรรมาวทานติอายุวันโนสุขาาังอาลังใครต้องการหนังสือนึ่งไหมเหลืออยู่สีล่งคร้าัือน่งหมอยู่สีแ ได้ไเดี๋ยวจะเล่นเล่นเล่นเล่นสิบเอ็ดนี้ไปเล่นสิอดก็มีแล้วค่ะเล่นเล่นอน้าออพอดีมีคนเขาจัดไว้เป็นครบชุดอยู่สองชุดเดี๋ยวจะมาให้ทั้งสองชุดกัแลวกันเราไปแบ่งกันเราเองก็และกัน อาจารย์หนังสือที่อาจารย์มี11เล่มเนี่ยนะครับกับในซีดี MP3 นิดตัวนึดเือดอเดียวกันไหมครับทำเดียวกันแต่จะมีมากกว่าเพราะว่า MP3 เราทําเป็นเล่ม10เล่ม17แล้วแค่17แล้วแต่หนังสือเราแค่เพียง11เท่านั้นเองเพราะมันหนังสือมันค่อยๆท ย, ยอยออกครับออกปีละสองเล่มต้นปีกับกลางปีเดี๋ยวต้นปีหน้าก็เล่ม12ก็ออกอแล้วก็ซีดีที่มีอยู่3เล่ม3แผ่นที่อาจารย์น่ะเป็น4แผ่น ถึงเล่มสิบเจ็ดแล้วแต่หนังสือเองมีแค่สิบเอ็ดเท่านั้นนะหมายความว่าใครอยากฟังอันนั้นจะได้เยอะกว่าแล้วก็ในซีดีก็มีมีเปิดอ่านได้ถ้าเรามีเครื่องคอมเระปักเข้าไปก็จะมีถึงเล่มสิบห้าอะไรอาก็ไปเปิดอ่านได้เแต่งกับของไว้ตกุฏิใช่ออเชื่อไปวางไว้ตรงนี้แล้วแตกลับเาไว้ข้างๆกัแล้วเหลือชาวก็มาจัดตารเก็บเองนะ กาจะอับไนึงให้่ดูดมาเ่ะที่มีพระแต่เ่อนาดีกว่าไมมีไม่มีมีเราเดียวไเป็นไรไม่ไร้ะแต่ตอนนี้ี่ได้ทันตัวดีที่ต้องใจได้ ผลิตขายได้ทำมาในแงเนี้ยลูกเสือลกาเป็นทุกข์มากข้าวุงเื่อเกินลูกเเป็นทุกข์มากก็เนี้ยก็แบบว่าเราเมื่อเราทําแล้วไม่ได้แล้วเราจะไปทุกข์ทำไมทุกข์มันก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมเราถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วเราก็ไม่ทุกข์ใช่ไหมการทุกข์มันไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทุกข์มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ไม่ทุกข์ก็เป็นเหมือนเดิมอยู่เอาอย่างไงเอาไม่ทุกข์หรือจะเอาทุกข์ เราไม่ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นค่ะปล่อยเขาเล่นไปพเราพิจารณาได้ปัญญาแล้วเรารู้ว่าเราแก้ไม่ได้แล้วมันเป็นเรื่องของเขาแล้วมันกรรมของเขาแล้วก็ต้องปล่อยให้มันไปตามกรรมของเขาหรือเราถ้าเราพิจารณาเราคิดว่ายังแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไปได้เรื่อยทําไปได้เรื่อยแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับมันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นพอาจารย์นะถ้าเราคิดว่ายังยังสู้มันไหวยังเอาันได้อยู่ก็ทําไปเราเข้าไปหาวิธีแก้ด้วยเจ้าจักร ก็ดูที่เหตุเลยมันคนจะไปเล่นเกมมันต้องมีเงินถ้ามันไม่ได้เงินแล้วมันจะไปเล่นได้ยังไงอย่างนี้เขาเล่นที่บ้านแต่ว่าเขาไม่ดูเรื่องสือเลยใช่ลูกเขาเป็นเหมือนยามน่ะกลางคืนเล่นเกมกลางวันนอนแล้วเลยไม่ได้ไปเรียนเพราะพ่อเป็นกังวลอย่าู่จะทำไงเป็นตัวเขาอะไม่ใช่ตัวเรา คือไม่ก็ไม่เร <Galile> ียนตออันนี้เร้องก็ทําใจไม่ได้เพรลูกมีนะลองดอกไม้ทุกทีแล้วไปกราบตีมันทั้งทางทำาจากปลาก็มันได้สติแล้วเออมันจะได้สติก็ได้โอหน้าขอลองแต่ทําให้แม่หน่อยแล้วได้ไหม่แม่ขอกวาบตีนลูกเลย พักบีบเลยเนี่ยเป็นนายเป็นอุบายอ่ะเป็นงั้นแล้วเขาจะเป็นบาทสตลมดตัวเขาไหมครัท่านอาจาไม่หรอกถ้าจะได้ค่าจะได้เศรษีก็ได้เพาขนาดแม่เรายังมากการจีนแล้วเนี่ยถ้ามันมีมีจิตจำเน็กมันก็จะได้สำเร็จได้ถ้ามันไม่มีจิตเน็กก็ถือว่าตัดทางปล่อยได้นะ้ใช่ไหมขนาดแม่เอาดอกไม้ทุกเทียนมากรามันยังไม่ได้เศรษฐีก็ตก็ปล่อยมันไปแล้วถอะือว่ามันมันมันมันมันเป็นพวกบัวใต้ง้ำแล้วะ เราทําอะไรให้มันไม่ได้เราทําดีที่สุดแล้วขนาดกากตีนยังมันยังไม่ทํามันยังไม่เอาก็ไม่รู้จะทำอะไรต่อใครใชมไหมจะทําำอะมากอกจากนั้นก็นอกจากขามั้งเท่านั้นก็ต้องทําใจเก็ต้องทําใจถือได้ว่ามันเป็นกรรมของเขาแต่ทั้งหลายมีกรรมเป็นกรรมของตนกรรมของเราด้วยหรไม่หรอกกรรมของเราเราไปกระทุกขเขาเท่านั้นเองถ้าเราจับได้เรามีปัญญาพับกรรมกรรมเราเราก็หมดกับเขา เขาก็ต้องเป็นคนทุกข์ทรมาร์ตเอบอกใจเขาทุกยากลําบากหรืออาจจะมีเวรมีกรรมกันเราเคยอาจจะสร้างเวรสร้างการรมทันงาในอดีตตอนนี้เาเลยกลับมามามาเป็นตัวรสร้างความทุกให้กับเรานะนนี้ก็อาจจะเป็นได้ก็ต้องทนเราทั้งนี้เดี๋ยวเราอย่าไปสร้างเวรสร้างการรมมาให้มันเกิ้นพยายามให้ความเมตตาให้ความสงสารเมื่อเราทำไปตาบท่าที่เร า, าทำได้ แต่เราไปทุกข์ทุกขก็ไม่เด้ไปแก่เะยแต่ผู้ศรัทาก็ว่เขาเป็นทุกข์มากตอนนี้ไม่ทุกขก็หลังนี้จะเข้าใจกันกลังทำใจอ <c oughs> นเมื่อทุกข์แล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมเรไม่ทุกข์มันก็เป็นเหมือนเดิมเราไปทุกข์มันจะเกิดไปอย่งไรนะท่องคถานไ ว, วไว้จำไห้อนติวเรา ว, ว่าะิวโคตรกลัวว่า ลูกจะเรียนไม่จบจะไม่มีอาชีพจะต่อไปแล้วก็ตายลงลูกจะทำยังไงก็เป็นกรรมของขาวก ร, รของขาวนะในเมื่อขาไม่ไม่ขวนขวายเหมือนกับพวกเราเนี่ยพระเจ้าสอนเราให้ธาเป็นธาตายมัเราไม่ไปถึงนนิพพานพระผู้เจ้าเ่ยมาลอ ง, ลองห่ม้องห้างเราทุกข์กับพวกเรา ก็อยากจะให้เราไปิทานัแต่พวกเราก็ยังอยากจะอยู่ของเราอย่างนี้เราก็เหมือนกัะลูกเขาเนี่ยบางทีเราคิดมากไปเองอะเด็กบางทีมันอยู่วานยังมันก็เป็นอย่างนี้ เพราท่าที่ฟังมาเดือยวนี้อพวกคนที่มันโตขึ้นมันก็บอกว่ามันได้ดีจากเกมก็มีเดีนี้มันมาจัดรายการวิทยุเกี่ยวกับเรื่องเกมเรื่องคอมพิวเตอร์มันมีความรู้จักกันีราด้วยบางวันหนึงมันต้องอิ่มตัวนต่ร้านหนึ่งผู้หญิงนะคะเช่นใช่ไนั่นแหละผู้หญิงผู้ชายมันไม่ไม่ไม่เกี่ยวกันหรอกมันอยู่ที่จิตจิตมันไม่มีเท่อะไรอยนี้จิตมันก็เป็นจิตมันมีกิเลสมีความหลงท่านั่นแต่เมื่อทักวันหนึงมันอาจจะได้สติแตกต่าขึ้นมา เท่าันมันต้องอิ่มตัวยิ่งถ้าเราไม่ไปจู้ที้จุกจิกกันมันจะอิ่มตัวเลยกว่า <c oughs> ถ้าเราไปจู้ที้จุกจิกกันมันเป็นการยิ่งเหรอมันยี่ข้ามยิ่งยุ่งอะไรนะมันยาชนะเราค่ะเขาไปเตือนเขาบอกอย่ายุ่งนี่อย่าไปยุ่ง อ, อย่าไปยุ่งปล่อยเขาไปเลยทําเป็นไม่แยแสะนะครับเดี๋ยวก็จะเริ่มคิดแล้วว่าแม่เราไม่แยแสเราจริงจริงมันก็จะเริ่กลได้ิก็จะติ๊กได้ได้ได้บางทีเรา บางทีเขาต้านเขาต่อต้านเราเขาจะเอาแพ่ตชาละของเราตรงนี <S <S ้เราตอนนี้เขาโตแล้วเขาจะเป็นตัวของเขาเองแล้วเรายังไปค่ายาม ไ, ไปคุมหัวเขาอยู่ทำไมเกิดมีความรู้สึกเกลียดทางทางรนใจทําะไรก็เพื่อจะทำให้ทุกข์ใจอย่นี้บางทีเขาก็ไม่ทำให้เร า, เ า, อ, ย า, เราอยู่เฉยๆปล่อยเข้าไปตามเรื่องลำล า, มามไม่ยแยงแสเดี๋ยวสักพักเขาก็เขาก็จะเห็นความความผิดแปลกตรงแค่นอง เดี๋ยวมันก็ไม่มีตัวที่จะมาคอยสร้างความความรู้สึกที่อยากจะต่อสู้กับเราในครั้ต่าเมื่อฝ่ายยังไม่ตอบโต้แล้วมันก็จมม้ ม, มือต่อค่าตบมือางดียวไม่ดังลองทาใจเฉยๆวางก่ครับจะลอ ง, อ ง, งนะฮะค่อนข้างทํายากพรเราเห็นแล้วราคลานเราก็อยากไปเตื<ม>อนเขาว่านจะีก็ต้องบอกยิงเตือนยิ่ยิงเตือนิิ่งยิ่ง ยิ่เจอยิ่ยาต้องต้องต้องบอกเราเราเจอเราพอแล้วไม่ใช่เนี่ยถ้ามันถ้ามันได้ผลมันก็ควรจะได้ผลมางานนะทีเราต้องเราต้องใช้วิธีอื่นนะใช้วิธีไม่เจออะไรเหมัอน ก, กับหมอให้ยามาต้องเยอะแล้วมันอาจจะดื้อ ย, ยาหรือว่ายามันมากเกินไปต้องลองหยุดยาสักรักเขื่อมันจะมันจะดีขึ้นมา เขาเป็นแม่ที่ดีมากนะคะตีหนึ่งตีสองยังไซื้่ขุเตี๋ยวให้ลูกเค่ะทำลูกเจอจริงๆอ่ะให้ลูกเห็นเขารักลูกมากอาจจะทให้ลูกเสียผนละรักลูกให้ตีรักลูกให้ขุ่แล้วไม่ใ้ตีอาจจะไม่สมัยคนสมัยใหม่ไม่อชอบตีลูกก็เลยไม่เชื่อคําูสพเมื่อผเชนนั้นก็รักสิทธ์ยารักทางที่ เขาก็เลยได้ใจทำอะไรก็ได้นะจ๊ะเมื่อถึงตอนนั้นแล้วเราก็มีทางเดียวคือต้องเชื่อใพูดเรื่องสอนบ้างแต่ไม่ได้รับก้ามจี้ก่ามไข่พอให้รู้ว่าเออนี่ไม่ดีนะลูกนะทำนี้ไปเรื่นะย อ, ไไอยๆอนาคตมันจะแย่เขารู้เพียงแต่ว่าเขายังยังมีการที่อยากจะเอาเอาคพ้ชนะเราอีกแต่ทั้งเมื่อเขารู้ว่าเขาชนะเราแล้ ว, ลวทีนี้เขาก็จะเริ่ม เขาจะเริ่มคิดถึงชีวิตของเขาเองของแม่ช่วยลูกไม่ได้นะต่อไปแม่ตายไปลูกก็ถ้าไม่มีความรู้ ก, ก็อาจจะต้องไปทำงานอะไรลำบากลำบุญลูกไม่ผลขวายหาวิชาความรู้ใส่ตัวทำของแตลูกก็ยากแต่ถ้าพูดได้แค่นี้พูดมากก็ไม่ดีพูดน้ำนก็เบื่อแล้วก็ฟังเดี๋ยวหน้าที่ไรก็จะจะจะสอนจะว่าตลอดเวลามันก็เกิดความเบื่หอหน่ายยากเหมืกัน บองทีเพราความรังมากเกินไปนี่จะทำให้มันเสียดายเพราะเราไม่ไม่ไม่คิดถึงตัวเขาว่าเวลาเ็าเจอหน้าเราเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงเจอหน้าที่แร่แม่ก็ดังสีว่าทุกสีแ่เขาก็บอกนะก็าสดงว่าลังทีเราก็พูดมากเกินไป ถ้าเป็นหมอก็ให้ยามากเป็ลยไปให้ยาคงใกล้มากดื้อยามันไม่ยืดามันจะตายก็ราะยาคนไข้มันถึงต่อตั้งขึ้นมาลองไปทำดีนะกลาางสายกลาอไม่ปล่อยทีเดียวแต่ก็ไม่ไม่ไม่คุมแจเลยรทเดียวที่มีวัยโตขึ้นเขาไม่ต้องการที่แจให้เหมือนกับตอนที่ก็เป็นเด็ก ให้เราจะใ้เราปฏิบัติเข้ามาให้เรเป็นตัวอย่าง้เขาตัดสินใจแล้วก็เองอนนี